บทที่หการบริหารอำนาจของราชสำนักรูก ป, ประธรรมจากขนอมถึงสุดจินดาบทบาทการบริหารอำนาจทางการเมืองของราชสำนักมีความเด่นชัดมากขึ้นนับตั้งแต่การโค่นล้มรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรโดยใช้พลังมวลชนและพรรคประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือโดยผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้กลุ่มการเมืองใดเน้นอำนาจเข้มแข็งแข่งกับอำนาจารราาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ จึงศาสนาขึ้นโดยสมบูรณ์และนักแต่นั้นรัฐบาลที่มีเสียรภาพและระบบพักการเมืองที่เข้มแข็งจึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แม้แต่รัฐบาลของคนเอกเกรมเองก็ต้องมีอันเป็นไปบริาหารอำนาจผ่านผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญลักษณะพิเศษของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ก็คือการบริาหารอำนาจผ่านตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นบุคคลที่มีฐานะหรือฐานันดรทางสังคม เพื่อผักดันกลไกาทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้ตอบสนองอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการใช้อำนาจโดยตรงขององค์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์เพื่อให้สังคมได้หลงเชื่ออย่างจรงิงจังตามปรัชญาทางการเมืองว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองบุคคลที่ถูกถ่ายทอดอำนาจเชิงสัญลักษณ์นี้มีมานานแล้วแต่ไม่เคยมีใครบรรัญญัติสับเรียกฐานได้ชัดเจนเท่ากับที่พันตำรวจโททัศน์สิงห์ชินวัตน ได้บัญญัติขึ้นคือคําว่าผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญพันตํารวจโททักษินในใช้คําว่าผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญแทนการกล่าวถึงคนเอกเฟ ร, รมสินสซูล่านนในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี2548ถึง2549ด้วยเพราะในขณะนั้นคนเอกเปรมมีบา ร, รมีล้นฟ้าการเอ่ย อ, อ้างชื่อตรงๆก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะทําได้ ท, ทั้งๆที่คนเอกเปรม ได้เข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะประธานองคมนตรีด้วยเหตุนี้จึงได้ประดิษฐ์ใช้คําแทนความหมายถึงตัวคนเอกเกรมว่าผู้มีบราม ร, ร, ร, ม, ร, ม, บรามีนอกรัฐธรรมนูญแต่แท้จริงแล้วผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมีมาช้านานแล้วและที่เด่นชัดในปี2516ก็คือก็คือหมอ ม, ามราชวงศ์พฤกษ์เลขาโมดโดยสังคมถูกทําให้เชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ทูมิพล โดยการแสดงออกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทั้งข้อเขียนบทความและกล่าวปาศัยในที่สาธารนณะที่จะอ้างอิงถึงความใกล้ชิดความจงรักภักดีอยู่เสมอรวมตลอดทั้งสมมติาศาสตร์เองก็ทรงแสดงความห่มยายในตัวหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ในโอกาสต่างๆเช่นพระราชทานแจ ก, กันดอกไม้เยี่ยมไข้เมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่วยและบางโอกาสก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมด้วยพระองค์เองดังนั้น การแสดงความคิดเห็นในทางสาธารณะของครึกฤทธ์ก็ถูกตีความว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ต้องการจะถ่ายทอดถึงพระสนิกรแต่หากจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของไทยในช่วงห้าทศวัร์ตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาจะเห็นได้ว่าผู้มีบารมีนอกพระรรมนูญ น, นั้นมิใช่มีเพียงคนเดียวหากแต่ได้ถูกสร้างขึ้นหลายคนในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ โดยคำพูดของบุคคลที่สังคมเชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเหล่านั้นจะถูกตีความจากสังคมว่าเป็นการพูดแทนพระมหากษัตริย์หรือเป็นคำพูดที่แสดงถึงความต้องการทางการเมืองของพระองค์ฐานะของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจึงคล้ายกับาศาสดาพยากรณ์ในาาศาสนายูดาหรือาศาสนายิวที่เป็นผู้ถ่ายทอดความประสงค์ของพระยะโฮวาซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์ ซึ่งจะไม่ลงมาเกิดขั้วกับมนุษย์บนแผ่นดินนี้ดังนั้นฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบ ก, การเมืองไทยจึงมีฐานะเทียบได้กับพระเจ้าอีกทั้งวัฒนธรรมทางภาษาของไทยก็อสอดคล้องกับระบบศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาศาสนาเทวนิยมกล่าวคือคนไทยจะเรียกกระสัตย์โดยต้องมีคําว่าพระเจ้าอยู่นำหน้านำหน้าอยู่เสมอเช่นพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าบนฟ้ากฟ้านั่นเอง และเมื่อใครได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้รับมอบอํานาจเชิงสั ญ, ญลักษณ์จากกษัตริย์หรือผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญแล้วสังคมก็จะให้ความเชื่อถือต่อผู้นั้นในฐานะผู้มีเกียรติสูงยิ่งขึ้นไปจากเดิมที่ตนเคยมีโดยเหตุ น, นี้เองในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาจึงเกิดความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นที่จะเป็นผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญหรือในหนึ่งก็เหมือนอยากเป็นศาสดาพยากรณ์เพื่อจะเป็นผู้แสดงความประสงค์ของของพระเจ้า ซึ่งบุคคลที่อยากจะเป็นผู้มีมบารมีนอกรัฐธรรมนูญเหล่านั้นจะมีทั้งผู้ที่เป็นเชื้อพระ อ, องค์เป็นทหารตำรวจและสามัญชนรวนทั้งพระสงฆ์ด้วยเราจะสังเกตได้ว่าในหมู่บุคคลเหล่านี้พยายามจะสร้างกิจกรรมเพื่อเชิดชูกเกียรติของพระ อ, องค์เช่นเป็นกรรมการมูลนิธิห้าทันวามหาราชหรือเป็นกรรมการมูลนิธิชยพัฒนาหรือจัดกิจกรรมแข่งรถเฉลิมพระเกียรติ หาเงินเพื่อถวายเงินเป็นส่วนพระองค์บ้างเป็นพระราชกุศลบ้างเป็นต้นและหลายคนที่เฝ้าถวายงานก็จะถูกเลือกสรรและกลําหนดบทบาททางสังคมให้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดและหากมีความเหมาะสมมีความสามารถในระดับสูงก็จะพัฒนาไปเป็นผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญและในแต่ละยุคสมัยแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองตัวละครทางการเมืองที่เรียกว่าผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญก็จะถูกสร้างให้แตกต่างกันไป ซึ่งผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญ น, นี้จะมีอำนาจทำการผิดกฎหมายหรือท้าทายอำนาจการบริหารของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลเผด็จ ก, การก็ได้หากมีความจำเป็นเพื่อตอบสนองกับเป้าหมายทางการเมืองของราชสำนักเช่นการกำจัดบุคคลทางการเมืองที่ราชสำนักคิดว่าจะเป็นอันตรายหรือกระทบกระเทือนต่ออำนาจของราชสำนักแม้ว่าบุคคล น, นั้นจะเคยอยู่ในฐานะผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญมาก่อนก็ตาม หากมีพฤติกรรมทางการเมืองที่น่าสงสัยไม่สอดพรับกับอำนาจของราชสำนักก็จะมีอันเป็นไปอย่างไม่มีข้อ ย, ยกเว้นเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทวิกปราโมชหรือแม้แต่พลเอกเกรมสินสุรานนท์เมื่ออยู่ในฐานะที่พระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงโปรดก็ต้องผลจากตาแหน่งหน้าที่ทางการเมืองไปเช่นกันบทบาทผู้มีบรารมีในแต่ละสถานการณ์ผู้มีบรารมีนอกพระธรรมนูญ ที่แสดงบทบาทเด่นชัดในการควบคุมและกำกับการทางการเมืองที่เป็นบุคคลสำคัญที่ควรจะกล่าวถึงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิวัฒนาการของการเมืองไทยมีดังนี้นายสัญญาธรรมศักดิ์อดีตผู้พิพากษาซึ่งมีความใกล้ชิดกับราชสำนักเคยเป็นผู้ดูแลทำให้การของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลในคดีการขึ้นพระชนของรัชกาลที่8ในช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516 ก็พอดีเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเมื่อเทียบ ก, กับหมอ่ อ, อ, อ, อมราชวงศ์เครื่ฤกษ์ปราโมทแต่ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่าราชธรรมนักได้บริหารอํานาจทางการเมืองอย่างเงียบๆกับนายสัญญาธรรมศาสตร์มาก่อนตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตําแหน่งเป็นผู้วิพากษาและเมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลของมลชนเมื่อ14ตุลาคม2516 จนสามารถโค่นล้มรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติการและจอมพลประภาสจะรุ่งเรืองลงได้เพื่อไขาราชธรรนักก็เริ่มปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีโดยนายสัญญาธรรมศัสตร์ก็ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นนายกผู้ ม, มนตรีในภาวะฉุกเฉินทันทีถือได้ว่าเป็นนายกพระราชฐานคนแรกในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลและหลังการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศาสตร์แล้วนายสัญญาก็ทําการบริหารการเมือง โดยได้รับแนวคิดของกษัตริย์ไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในฐานะผู้เคยเป็นผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญมาก่อนโดยจัดตั้งสมัชชาประชาชนเพื่อเตรียมรองรับการจัดทำรัฐธรรมนูญเสมือนหนึ่งจะรู้กันว่าจะมีผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงคือหม่อมราชวงศ์คึกเล็กปราโมชขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาต่อจากตนแต่หลังจากบริหารจัดการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้หม่อมลัชวงศ์คึกฤติราโมทเป็นนายกตามพระราชประสงค์แล้วในสัญญาธรรมศัสตร์ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีการเคลื่อนไหวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปี 2516-2517 ต่อหลังจากโค่นล้มรัฐบาลถนอมประภาษที่เป็นเซี่ยนหนามราชสำนักแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้อำนาจของราชสำนักผ่านตัวแทนหรือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ และกระทำการควบคุมระบบงานของรัฐมากขึ้นจะเป็นไปอย่างแนบเนียนยากที่ใครจะมองเห็นดังเช่นในยุค ข, ของคอนเนตเฟรงซิโนตูรานน์มอมลชวงศ์คึกฤกธ์ปราโมทเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีบา ร, รมีนอกกราธรรมานุรุ่นคลาสสิกยุค แ, แรกๆที่เริ่มตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลซึ่งของราฐในตอนเย็นของวันที่9มิถุนายน2489พระเจ้าอยู่หัวอ น, นันทมหิดรณสิ้นพระชนม์เช้า ในวันเดียวกันนั้นโดยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ยุคแรกเมื่อ6เมษายน2489และเป็นแกนนําคนหนึ่งที่พลิกสถานการณ์จากการสิ้นพระชนของรัชกาลที่8กลายเป็นเรื่องรอบวงพระชนเพื่อทิมแทนนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งไม่เป็นที่ชื่นชอบของราชสำนักโดยหม่อมราชวงศ์คึกคลิ ก, ลกได้มีบทบาททางการเมืองทั้งในฐานะนักการเมืองในยุคแรกๆ แ, และนักคิดนักเขียนเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ที่คอยปกป้องภุ้มครองราชสำนักมาตลอดตั้งแต่เริ่มบทบาทอย่างเป็นทางการโดยจัดตั้งทักเจ้าหน้าขึ้นขึ้นก่อนและประกาศประกาศตัวอย่างเปิดเผยในเวลานั้นเป็นผู้นิยมเจ้ารอย i ล t ซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศตัวเผชิญหน้ากับคณะราฐและกลุม่มอำ น, นาจทหารในปี2489ผ่านยุคจอมพลปจอมพ ล, พ ล, ลสฤษดิ์ธนรัฐจนถึงยุคยุคจอมพลถนอมกิตติกจรซึ่งเป็นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เริมีความมั่นคงทางการเมืองอย่างชัดเจนแล้วในช่วงรัฐบาลจอมพลถนอมประภาสนั้นหม่อมรัชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทได้มีบทบาทเป็นตัวแทนอำนาจเชิงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนในการบริหารทางการเมืองเพื่อหลบรัฐบาลทหารของจอมพลถนอมจิตติจรด้วยการปลุกระดมพลังมวลชนนิสิตนักศึกษาปัญญาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516 เนื่องจากราชสำนักได้เคยมีบทเปลียนที่เป็นอันตรายอันเกิดจากอำนาจพลัฐของสามัญชนผู้ถืออาวุธอย่างเจ็บปวดมานานจกบ40ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อขอ2475ดังนั้นเมื่อหม่อมรัชโงงคึกฤกธิ์กราโมทได้ทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทางการเมืองมาอย่างซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยวอีกทั้งเป็นเชื้อพระวงด้วยเมื่อโคนล้มจอมพลถนอมประภาธได้แล้วตำแหน่งรางวัลอย่างงามก็ตกแก่หม่อมรัชวงงคึกฤทธ์ปราโมท หลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ก็เป็นผู้จัดดำเนินการให้เกิดสภาสนามม้าโดยพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แต่งตั้งหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดได้แก่บุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาสนามม้าหลายคนต่อมาก็กลายมาเป็นสมาชิกภรคก า, ากิจสังคมของหม่อรมราชวงศ์พฤกษ์ฤิเช่นนายประที่เสียงหวาน น, นา ย, ยกสม า, าคมสามล้อเครื่องแห่งประเทศไทยเป็นต้น และในที่สุดหมอมราชวงศ์คึกฤทธ์ก็ได้รับเลือกจากสภาสนามม้าให้เป็นประธานสภาล่างรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นเพื่อจัดเตรียมกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อปูทางให้ตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหมอมราชวงศ์คึกฤทธ์ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกได้ตามความประสงค์ซึ่งการเตรียมการจัด ก, การอํานาจในลักษณะปรุงเองกินเองของราชสํ า, สานักในขณะนั้นก็มีผู้อ่านเกมออกดังจะเห็นได้จากหน้าหน้าปกและบทความของนิตยสารร า, ายสัปดาห์มหาราช ซึ่งมีนายปรีชาสามาัคคีรมเป็นบรรณาธิการโดยนักเขียนการ์ตูนชื่อดังคือชัยราชวัตรในวาดรูปหม่อมรัชวงศ์คึกฤทธิ์ประธานสภาร่างรัฐมนูญกำลังเปิดม่านโรงลิเกเพื่อโชว์ตัวนายกซึ่งผู้ที่แต่งตั้งแต่งตัวเป็นนายกอยู่หลังม่านก็มีหน้าตาเหมือนคึกฤทธิ์นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามการขึ้นเป็นนายกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ทุรักทุเลเพราะหม่อมรัชวงศ์คึกฤทธิ์ในฐานะหัวหน้าพรรคกิจสังคม ได้พ่ายแพ้แก่พรรคประชาธิปัตย์อย่างไม่เป็นท่าคือได้22สเอสอพียง18คนเข้าสภาแต่ก็ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมในสภาตลบหลังจนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมด ท, ที่ชายของตัวเองต้องพ่ายแพ้การสภาอย่างไม่เป็นท่าแล้วตัวเองก็ได้ก้าวขึ้นเป็นนายกมนตรีโดยไม่ชอบธรรมจนได้ฉายานามจากถือมลชนว่าเท่าสารพัดพิษกล่าวคือหม่อมราชวงศ์คึกฤิ์ ได้ปฏิบัติการอย่างอุกอาจในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งด้วยการล้มพรรคประชาธิปัตย์ที่มีเสียงข้างมากโดยเปิดประวัติศาสตร์ต้นแบบการเมืองน้ำเนา่าโดยประกาศาชัดเจนว่าใครรวมสอสอได้ห้าคนก็จะแจกตำแหน่งรัฐมนตรีให้หนึ่งตำแหน่งจากแผนนี้ก็ทำให้หมอมรัชวงต์คึกคลิบได้เป็นนายกมนตรีครั้งแรกอย่างสมใจในปีสองห้าหนึ่งแปดและพระเจ้าอยู่หัวก็ลงนามรับรองความถูกต้องให้ ไม่ต่างจากที่นายชวนหลีกภัยตั้งรัฐบาลหมูเห่าที่ล้มอํา น, นาจของพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นรัฐบาลที่ราชสำนักไม่ได้วางใจเมื่อปี2540และไม่ต่างจากที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งรัฐบาลหมูเห่ารอบสองในปี2551เมื่อล้มรัฐบาลตัวแทนของพันตำรวจโททักษ์สินชินวัตรที่ราชสำนักไม่ชื่นชอบเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่า ราชสำนักได้ปริหารอำนาจในระบอบประชาธิปตไตยภายใต้การควบคุมผ่านผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญมีมานานแล้วและราชสำนักจะไม่สนใจความถูกต้องของคันลองประชาธิปไตยเพียงแต่ขอให้เป็นรัฐบาลที่สยบต่อราชสำนักก็แล้วกันถ้าแปรเปลี่ยนหรือไม่พอพระไทยเมื่อใดรัฐบาลก็จะถูกโค่นล้มดังนั้นภาวะการของรัฐบาลที่มีลักษณะทุลัทุเลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงเกิดขึ้นเสมอ และได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอันเนื่องจากอันเนื่องมาจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลมาตราเท่าทุกวันนี้เมื่อรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เครือเล็กต้องมีพรรคกิจสังคมเป็นแกนนําโดยมีเสียงอยู่เพียง18เสียงเข้าบริหารประเทศได้จึงถูกพกรรคล่วงรัฐบาลที่มีเสียงมากกว่าบีบเอาผลประโยชน์อย่างมุมมาจึงทําให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างล้มลุกคุกคาน แต่เมื่อบริหารต่อไปได้สักระยะหนึ่งหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธ์ก็ได้ส่อแววว่าจะไม่ตอบสนองแนวทางทางการเมืองของราชสำนักเพราะพยายามแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยการจับมือกับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งราชสำนักเชื่อว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดคือเวียดนามและจีนคอมมิวนิสต์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ปาโมดเดินทางไปจับมือกับเมเซตุง ซึ่งราชสรรนักเชื่อมั่นว่าจะมีเจตนาล้มล้มล้มราชวงของพระองค์และในขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เปิดฉากสงครามประชาชนในประเทศอย่างเข้มแข็งประกอบกับเกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมขนาดใหญ่ของชาวนาและกรรมกรโดยการปลุกระดมของนักศึกษาภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516จึงเกิดะบวนการฝ่ายขวาที่มีแนวคิดอนุรักษนิยม เธอทูลสถาบันพระมหากษัตริ์อย่างไม่ลืมหูลืมตาเช่นกลุ่มกระทิงแดงที่มีพลตรีสุดสุดายเทพขัสดินกลุ่มลูกเสือชาบ้านซึ่งนําโดยพลตารวจโทสุลพลจุลักษณ์จุลค ล, ลามและกลุ่มนวพลมีแกนนําเช่นนายวัฒนาเขียววิมลและพระกิตศิวทโรผู้ประกาศฆ่าคอมมิวนสิสตไม่บาปซึ่งผู้มีชื่อเหล่านี้กลายมาเป็นตัวละครตัวใหม่ ในฐานะผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐมนูลก็ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทิปราโมทอย่างรุนแรงและบ่อยครั้งกระทำการต่อต้านการชุมนุมของนักศึกษาที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่คนยากจนและถึงท่านลอบสังหารผู้นำนักศึกษากรรมกรและชาวนาโดยเฉพาะกรณีการรอบค่า9ก้าผู้นำชาวนาภาคเหนือที่ลุกขึ้นนาชาวนาต่อต้านการขูดรีดค่าเช่านาอย่างอย่างคารุน จนกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญของสังคมไทยในขณะนั้นโดยกลุ่มขวาจัดเหล่านี้ได้กระทําการอย่างผิดกฎหมายพบอาวุธทําร้ายนักศึกษาก่อกวนผู้ชุมนุมอย่างเปิดเผยขายม็อบเส้นใหญ่พันธมิตรเช่นในปัจจุบันนี้โดยรัฐบาลหมอมรชวงศ์คึกริสก็ทําอะไรไม่ได้และล่าสุดหมอมรชวงศ์คึกริสในฐานะนายกมนตรีก็ได้ทําการยกเลิกสัญญาการตั้งฐานทัพของสาว ร, รัสเมซียในประเทศไทย ยึงสร้างความวิตกกังวลต่อราชะสมนักว่าจะไม่สามารถยันกองทัพของคอมมิวนิสต์ที่จะลุกเข้าประเทศไทยได้และในที่สุดรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ครึกริบก็ต้องลม้ลมลงด้วยการยุบสภารวมเวลาได้ไม่พอไม่พอปีเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่หม่อมราชวงศ์ครึกริบปราโมชซึ่งเคยชนะรอยลำในเขตหนึ่งกรุงเทพโดยเฉพาะในเขตอำเภอดุสิตซึ่งมีค่ายทหารมีคะแนนนอนก้นถุงอยู่ประมาณสองหมื่นเสียง ก็พลิกคว่ำโดยแพ้คู่แข่งจากาพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นคือนายสมัครสุนทรเวชตัวละครตัวใหม่ของราชสำนักที่ปั้นขึ้นมาเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในเวลานั้นอีกคนหนึ่งโดยเป็นดาวเด่นและเป็นคนสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ต่อจากคึกเล็กและได้เป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดก่อนเหตุการณ์6ตุลาคม2519สีเก้าขึ้นมาแทนครึกฤทธิ และจากการแพ้การเลือกตั้งครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ก็ไว้หนวดยาวตั้งแต่นั้นมาจนสิ้นชีวิตเสมือนหนึ่งว่าจะประท้วงใครสักคนที่เคยเคารพนับถือแต่ไม่อาจจะพูดถึงได้นายชานินไกรวิเชียนผู้พิพากษาผู้มีแนวความคิดทางการเมืองแบบขวาจัดซึ่งแสดงตัวอย่างโดดเด่นในขณะที่หม่อมราชวงศ์เสนีกลางโมดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พี่ชายของครึกฤทธ์ที่ก้าวเข้ามาเป็นนายกมนตรีตอบจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์กลาโมด และจากข้อมูลในหนังสือ The King Never s m i l e ในบทที่12ก็ให้ข้อมูลว่านายทานินเป็นคนใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งนายทานินก็ได้แสดงบทบาทในฐานะผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญร่วมมือกับนายดุสิตศิริวัณอาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายสมัครศุนทรเวสซึ่งเป็นสอสอพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นขี่แต่แถวออกมาแสดงบทบาทรับใช้ราชสํานักอย่างเต็มที่ โดยทําการประสานงานกับกลุ่มขวาจากในขณะนั้นอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมการล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและกว่าล้านขบวนการนักศึกษาซึ่งราชํานักเชื่อว่าเชื่อมั่นว่ากลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้าได้ร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อคนล้มระบอบตริย์ซึ่งเป็นอันตรายแกร่ราชํานักและไม่อาจจะปล่อยไว้ได้แล้วแต่หมอ่อมราชวงศ์เสนีนายกก็ไม่ตอบสนองบทบาทของนายสมัคร ในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้เคลื่อนไหวเป็นเครือข่ายกับนายธานินและกลุ่มมวลชนขวาจาัดต่อต้านนโยบายพรรคประชาธิปัตยภายใต้การนําของหม่อมราชวงศ์เสนีกราโมดที่อ่อนแอเกินไปที่จะปราบปรามขบวนการนักศึกษาอีกทั้งยังแสดงความโลเลที่จะปกป้องราชสำนักโดยประกาศนโยบายเศรษฐกิจว่าเป็นสังคมนิยมอ่อนตามกระแสะสูงของแนวคิดสังคมนิยมในขณะนั้น สัญญาณค้นล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ไสมีปราโมดจึงเกิดทั้งทั้งที่ทพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่รับใช้ราชสมนักมาแต่ต้นแต่ในสถานการณ์ขณะนั้นไม่อาจตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของราชสมนักได้และแล้วสถานการณ์ก็ถูกสร้างขึ้นจากตือเครื่องมือสาคัญของราชสมนักโดยเฉพาะสามีวิญ ย, ยาณเกาะประสานกับกลุ่มขบวนการทางการเมืองขวาจาดทั้งหมดอาทิเช่นกระถิ่งแดงนวพล ลูกเสือชาวบ้านและส่วนราชการคือตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนทหารก็ประสานงานกันระดมล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเห็นฆ่านักศึกษาประชาชนอย่างโหดเหี้ยมในวันที่6ตุลาคม2519แล้วคนเรือเอกสนัดชลออยู่ลุงของภรรยาพลเอกทิ่ัยพัทยากุลแกนนำคอมชอที่ยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549 ก็ยึดอำนาจล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแล้วนายธานินไกรวิเชียนก็ขึ้นเป็นนายกมนตรีบนข้าเลือดที่นองสนามหลวงพร้อมคู่หูคนสําคัญคือนายสมัครสุนทรเวทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์ทลายยศของนายสมัครสุนทรเวทที่กระทําต่อพรรคประชาธิปัตย์เพื่ตอตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของราชสำนักที่เกิดขึ้นเมื่อปี2519 คล้าย okay, กับกรณีการทรยศของนายเนวินชิดชอบที่ทรยศต่อพันตำรวจโททักษิณเพื่อไปหนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรมนตรีเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ตามความประสงค์ของราชสำนักเหตุการณ์6ตุลาคมได้สร้างความเครียดแค้นให้แก่ฝีซ้ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีหัวก้าวหน้าโดยมีนายชวนหลีดไยัยส ส, สตรังนายาบีศศระมุสิกพงศ์สสกทมและนายสุรินทร์มาศเดช สอสอนครศรีธรรมราชเป็นแกนนําได้กล่าวประนามนายสมัครสุนทรเวทโดยให้ฉายาใหม่ว่าไอ้่าจอมเนรคุณและมีการกล่าวกระทบกระเทียบภายในพรรคประชาธิปัตย์ถึงล่าํานักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารโหดโดยนายสุลินมาสดิฐได้เกิดช็อตเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมาพาตนอนป่วยจนถึงแก่ชีวิตเหตุการณ์ทางการเมืองนี้ดังนั้นการที่สังคมและนักวิชาการ มักจะประนามนักการเมืองว่าไม่มีอุดมการ์ชอบย้ายทัศหาประโยชน์เฉพตัวนั้นแท้จริงเป็นการมองปัญหาด้านเดียวและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้นักการเมืองเป็นเพียงของเล่นของราชสำนักที่กษัตริย์จะบีบบัคับเอาอย่างไรก็ได้โดยสนองตอบการบริาหารอำนาจของพระ อ, องค์โดยไม่สนใจว่าระบอบประชาธิปไตยจะเดินไปตามคันลองหรือไม่ แล้ก็ไม่สนใจว่านักการเมืองเลวหรือดีแต่ขอให้ยินยอมก้มหัวรับใช้อํานาจทางการเมืองของรัฐสํานักก็แล้วกันดังนั้นภายใต้ร่มเงานี้ภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่ดีในในระบบเลือกตั้งจึงถูกใส่้ายป้ยสีจนเสียหายไปทั้งระบบและเปิดทางให้นักการเมืองเลวขยายบทบาทและฉกชิงผลประโยชน์ได้โดยมิชอบและยะที่นักการเมืองที่ดีที่มีอุดมการณ์เพื่อประชาชนจะยืนอยู่ได้ แม้หาหนักการเมืองที่มีอุดมการจะแข็งจะแข็งขืนยืนหยัดตามอุดมการเพื่อประชาชนของตนก็จะถูกป้ายสีว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดีและไม่มีแผ่นดินจะอยู่เช่นนายปรีดีพนมยงพันอับพันโทพยอมจุลานนบิดาของพลเอกประยุทธ์จุลานนนายป่วยเอื้องพากรที่ผ่านมาเป็นต้นรายล่าสุดก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตร สุดท้ายเหตุการณ์ฆาตการรมการเมืองที่สะเทือนฝันคนทั้งโลกเมื่อ6ตุลาคม2519ก็กลายเป็นเพื่อนกระทบฝั่งหาคนผิดไม่ได้ซึงไม่ต่างจากเหตุการณ์เข็นฆ่าประชาชนในเวลาก่อนและหลังเช่นเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเหตุการณ์พฤษภาคม17พฤษภาคม2535ก็ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ฆ่าประชาชนและล่าสุดก็ทำนายได้ว่าการก่อจลาจลยึดอำนาจ ยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT และยึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมตลอดถึงการฆาตกรรมในเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดคนบาดเจ็บล้มตายเพียงเพื่อจะทำลายพันตํารวจโทรทัศน์สินวัตรซึ่งไม่เป็นที่โปรดปรานของราชสภานักก็ะจะไม่มีการสอบสวนนำคนผิดมาลงโทษทั้งสิน้นนี่คือตัวอย่างเชิงประจักษ์ของอํานาจในระบอบ ก, การปกครองที่เรียกว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่หลังจากนายทานินไกลเขียนขึ้นเป็นนายกมนตรีตามความประสงค์ของราชสำนัก์แล้วทานินก็สะท้อนแนวคิดของราชสำนักที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากตะวันตกคือเป็นประชาธิปไตยแบบขั่งชาติขวาจัดโดยยึดอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยนายทานินได้ประกาศขอเวลายอยู่ในอำนาจ12ปี โดยไม่ให้มีการเลือกตั้งเพื่อจะใช้เวลาฝึกฝนเยาวชนให้มีอุดมคติดังกล่าวแต่สุดท้ายอยู่ได้ประมาณสิบสองเดือนแล้วถูกคณะทหารนําโดยพลเอกนําโดยพลเรือเอกพลงงังตะลอยอยู่คนเดิมเป็นหัวหน้าแต่คนคุมกําลังจริงคือพลเอกเกรียงผักชมานันเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองทําการยึดอํานาจโค่นล้มรัฐบาลของรางรชสานักลงจึงทําให้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ไม่พอพะายอย่างยิ่งโดยแสดงออกทันทีในขณะนั้นโดยตั้งให้นายทานินไกรวิเชียนนายกมนตรีมือเปื้อนเลือดเป็นองคมนตรีตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้และต่อมาพลเอกเกวียนศักว์ชมนันก็ครองอำนาจอยู่ได้ประมาณสามปีก็ถูกโค่นล้มด้วยพลังมวลชนนำโดยนายไพศาลพวัตชัยนันประธานสาภาพแรงงานการไฟฟ้าคนครหลวงปุกระดมประชาชนเดินขบวนขับไล่ เนื่องจากรัฐบาลอนุญาตให้ขึ้นราคาน้ำมันขณะนั้นราคาน้ำมันถูกควบคุมไม่ใช่ไม่ใช่ลอยตัวเหมือนทุกวันนี้และทําให้รถเมล์ขึ้นราคา50ตางค์เป็นผลให้พนเอกเกรียงศักดิ์ต้องลาออกจากนายกมนตรีซึ่งพลังมวลชนที่เดินขบวนนั้นก็เป็นเพียงเงื่อนเพียงแต่เงื่อนไขสร้างความชอบทรรมที่จะขับไล่พนเอกเกรียงศักดิ์เพื่อให้บทละครการเมืองแนบเนียนเท่านั้นแท้จริงแล้ว ผู้ที่ทําให้พนเอกเกรียงศักดิ์ต้องตัดสินใจลาออกก็คือคนที่ชื่ อ, อพลเอกเฟรมสินสุรานนท์ที่ลาจากสนักสนับสนุนในฐานะผู้บัญชาการทหารบกที่กลุ่มทหารยังเซิร์ฟผู้คุมกําลังตัวจริงหันหลังจับจากคนเอกเกรียงศักดิ์มานุ น, นพลเอกเฟรมแล้วนายกคนใหม่ก็คื อ, คอพลเอกเฟรมสินสุรานนท์นพลเอกเฟรมสินสุรานนท์ ในทหารที่ใกล้ชิดรัชสำนักและผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงจากอดีตถึงปัจจุบันได้เริ่มฉายฉายแสงตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคที่สองกลุมกำลังทหารภาคอีสานพื้นที่อันตรายที่สุดในการทู่รบกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ถูกดึงตัวเข้ามาอยู่ส่วนกลางจนเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเข้ามาอยู่ในตําแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก้าวขึ้นเป็นนายกรมนตรีในที่สุด ต่อจากคนเอกเกรียงศักดิ์ชมันันในปี2523ในช่วงเส้นทางทางการเมืองของคนเอกเกรีตั้งแต่ก่อนและหลังปี2523เป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบารมีนอกรัฐมนูลคนเดิมอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทอยู่ในช่วงปลายชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบารมีทั้งสองพับซ้อนอำนาจกันอยู่ดูเหมือนว่าหม่อมราชวงศ์ครื่ฤทธิ์จะตกอันดับอับแสงเสียแล้วในขณะนั้น เราจึงเห็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสองอยู่เสมอแต่ส่วนมากจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ของหม่อมนัชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทที่พิมพ์แทงอย่างรุนแรงต่อพลเอกเกรมในเชิงประชดประชันเกี่ยวกับแนวทางความจงรักภักดีของพลเอกเกรมจนเส้นชีวิตของท่านแต่ก็ไม่อาจขัดขวางเส้นทางอำ น, นาจของพลเอกเกรมได้การสร้างนิยายทางการเมืองเพื่อสนิมสร้างบา ร, รมีให้ตัวเองของพลเอกเกรมในบทที่สําคัญ ที่คนจะกล่าวไว้ในที่นี้เพราะละครบทนี้ยังทรงอิทธิพลให้พลเอกเกรมเป็นผู้ใกล้ชิดราชสมนัติไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นประธานองคมนตรีในขณะนั้นแต่ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างยิ่งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั่นก็คือละครชีวิตทางสังคมเบื้องหลังชีวิตคนเอกเกรมถือครองความเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานมาตลอดชีวิตนั้นก็เพราะหลงรักผู้หญิงสูงศักดิ์คนหนึ่งแล้วผิดหวัง เรื่องทุบทิฟการเมืองนี้ถูกทิ้งท้ายไว้ให้เป็นที่สงสัยเป็นเสมือนคําตอบของการทุบทิฟว่าผู้หญิงสูงศักดิน์นั้นก็คือองค์สมเด็จนั่นเองแม้การขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนเอเกเฟรมจะเป็นที่คุนพอใจของราชสํานักรวมตลอดทั้งมีผลงานรุติสงครามประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ยืดเยื้อยาวนานและเป็นที่วิตกกังวลของราชสํานักด้วยนโยบาย 66ทัก2523โดยใช้การเมืองนำการทหารซึ่งก่อประโยชน์ต่อราชสำนักอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผลเอกเกรมอยู่ครองอานาจในตำแหน่งนายกน า, ก น, านถึง8ปีผลพลอยได้ก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็คือเกิดบารมีแผ่ไพศาลจนเกิดบทกรเชียร์ลเอกเกรมให้เป็นนายกมนตรีตลอดการไม่ว่าจะไปตรวจงานตรวจการในจังหวัดใดประหลัดกระทรวงมหาดไทย ก็จะสั่งการให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเจนมวลชนมาถือป้ายเชียดโดยข้อความว่าน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของเกรมความมั่นคงทางการเมืองและการมีบา ร, รมีภัยศาลเช่นนี้ก็ถูกขมันและไม่พอใจจักวังเช่นเดียวกับนายกมนตรีทุกคนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าคนไอกเกรมจะรู้แนวทางของราชสำนักดีว่าไม่ต้องการเห็นนายกมนตรีคนใดมีอำนาจ และมีเสียลภาพยาวนานดังนั้นในวันแรกที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีผลเอกเฟรมก็ประกาศต่อสาธารณะเพื่ออำพรางความคิดของตนเพื่อให้ราชสํานักสบายใจว่าผมไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองแต่จากการทองอํานาจปรากฏว่าผลเอกเฟรมได้แสดงออกถึงความมากๆในอํานาจอย่างซ้อนเล้นโดยทําลายคู่แข่งที่คาดหมายว่าจะเข้ามาแย่งตําแหน่งของตน เช่นในขณะนั้นนายกระเกษมจาติกาวนิชลุงของนายกรจารติกาวนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากเป็นคนเก่งมีผลงานบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จเจริญก้าวหน้าจึงตกเป็นข่าวว่าจะเข้ามาเป็นนายกขณะนั้นนายกไม่ต้องมาจากสอสอคนเอกเกรมก็จัดการทําลายชื่อเสียงโดยจับกลุมน้องชายของน้องชายชื่อนายไกรศีจาติกาวนิช ข้อในก่อนอธิบดีกรมศุลกากรในข้อหาโกงภาษีนำรถยนต์โตโยต้าเข้าประเทศและอีกหลายคนที่ต้องมีชะตาชีวิตเช่นนี้จนคนเอกเกลมได้รับสมญานามจากสื่อมนชนว่านักฆ่าแห่งรุ่มน้ำเจ้าพยาแท้จริงโดยส่วนลึกคนเอกเกลมมีความทะเยอทะยานทางการเมืองอย่างสูงแต่ปกปิดไว้ได้แนกนียนด้วยคาพูดว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินเมกาอยู่ในอานาจ นายกบัญชีของคนเอกเฟรมยาวนานถึง8ปีต่อความระแวงของราชสำนักก็เริ่มทํางานโดยเครือข่ายราชสำนักก็รับรู้สัญญาณนั้นโดยเริ่มทําหน้าที่โจมตีและบ่อนแทะทําลายอํานาจของคนเอกเฟรมโดยมีการกล่าวหาว่าคนเ e อ็กเฟรมจะทําการแอบอ้างสถาบันพระมห า, ากษัตริย์อย่างไม่เหมาะสมโดยหม่อมลทัทวง่เครือลิสตราโมดเคยเขียนบทความโจมตีแนวคิดแนวคิด ป, ประชาธิปไตยแบบนายก ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งของพลเอกเปลมที่แอบอิงสาบันและแล้วในวันหนึ่งพลเอกเปรมก็เกิดพลาดขึ้นแบบไม่คาดคิดนั่นก็คือระหว่างออกเยี่ยมประชาชนแต่มีชาวบ้านที่เลื่อมใสพลเอกเปรมต่างเอาผ้ามาปูให้พลเอกเปรนเดินเหยียบเพื่อ น, นําไปกราบสการะคล้ายๆกับที่ชาวบ้านกระทํากับพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเท่านั้นเองเครือบขายราชสำนักก็ได้ทีประกอบกับผู้มีบรารมีอื่นๆ ยังไม่อับแสงเสียทีเดียวเช่นหมอมนัชวงศ์ขึ้นฤทธิ์ปาาราโมทในสมัครขึ้นทเวศก็ประสานเสียงโจมตีว่าไม่เหมาะสมเป็นการเทียบบา ร, รมีในหลวงและนับแต่นั้นก็มีขบวนการวลชนต่อต้อตานคลนเกเกรมมาตลอดถึงขนาดเด็กนักศึกษาลางควาแขงกระโดดชกหน้าคลเเกเกรมขณะไปประกอบพิจกรรมเปิดงานที่สนามกีฬาเป็นข่าวฮือฮามากและนับแต่นั้นคลนเดเกรมก็เริ่มอยู่ในฐานะที่คล้ายกับท่านตำรวจโททักษิณในวันนี้ คือทําอย่างไรก็ไม่ถูกใจราชสํานักเหมือนกับคําพังเพยโบราณว่าผีจำด้านพลอยกล่าวคือผู้ที่เป็นปฏิปัติหรือผู้ที่เสียผลประโยชน์ทั้งหลายจากการครองอํานาจและจากนโยบายของคนเอกเกรมก็ประสานเสียงกันโจมตีโดยเฉพาะในส่วนนักการเมืองที่เด่นชัดก็คือนายสมัค ร, รศุลทรวงเศษหัวหน้าพรรคประชากรไทยและร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงหัวหน้าพรรคมวลชนและล่าสุดเมื่อมีการยกสภาเลือกตั้งใหม่ เมื่อรู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็มีกลุ่มประชาชนที่เกลียดพลเอกเฟรมและเหมือนจะรู้ว่าราชสำนักคิดอย่างไรก็ได้รวมตัวกันเดินขบวนขับไล่ไม่ให้กลับมาเป็นนายกอีกซึ่งพลเอกเฟรมรู้วัฒนธรรมการเมืองไทยที่ส่งสัญญาณมาจากร า, ราชสำนักดีว่าหมายถึงอะไรจึงประกาศวางมือทางการเมืองแล้วหนุนพลเอกชาติชายชุนหวันขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวท่านเองเมื่อลาออกจากการเมืองในตําแหน่งนายกแล้ว ก็มอบกลาให้แก่ราชสำนักจึงได้รับการโปรดปรานไว้เนื้อเชื่อใจแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีและเป็นประธานองคมนตรีต่อมาโดยแทนในสัญญาธรรมสั์ประธานองคมนตรีเมื่อถึงแก่อสัญญากรรมแล้วนับแต่นั้นบทบาททางการเมืองใหม่ของพลเอกเปรมก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆในฐานะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจนถึงทุกวันนี้พลเอกเปรมจินตุลรนนอยู่ในอํานาจอย่างยาวนานมาก และต่อเนื่องนับตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการฐานบกจนกระทั่งก้าวถึงเป็นนายกนายกมนตรีและเป็นประธานองคมนตรีจนถึงปัจจุบันรวมอยู่ในอำนาจนานกว่า30ปีและเมื่อไม่มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์มาเป็นผู้แข่งบารมีคอยถ่วงดุลแล้วคนเอกเกรนจึงสามารถแสดงบทบาทของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มที่และเป็นที่และเป็นระบบที่สุด โดยแสดงบารมีอย่างเด่นชัดคือการโค่นล้มรัฐบาลพลเอกชาติชายเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534โค่นรัฐบาลพลเอกสุจินดาคาประยุนเมื่อพฤษภาคม2535และต่อจากนั้นเข้าควบคุมจาัด ก, การทุกรัฐบาลจนถึงปัจจุบันล่าสุดการโค่นล้มรัฐบาลนายกสมัครสุนทรเวชและรัฐบาลนายกนายสมชายวงสวัสดิ์และจัดตั้งรัฐบาลในอภิสิษฎเวชาชีวะขึ้นมาบริหารประเทศ ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นยุคผู้มีบารมีนอกรัฐมนูญเฟื่องฟูที่สุดทองคนเอกเพลยได้แสดงอํานาจเหนือรับอย่างชัดเจนและเป็นระบบดังจะเห็นได้จากการเปิดไฟเขียวให้กลุ่มพันธมิตรดาเนินการท้าทายกฎหมายอย่างกุกอาจโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่กล้าแต่ต้องเพียงเพื่อต้องการล้มรัฐบาล น, นายกนายสมรัมรและนายสมชาย ต, ตลอดถึงใช้ศาลเป็นเครื่องมือตัดสินเอาผิดจนนายกถึงสองคนต้องหลุดจากตาแหน่ง ทำให้ประเทศไทยทำลายสี่สิโลกคือปีเดียวฝาเซนบริหารจัดการจนมีนายกได้ถึงสี่คนและเมื่อได้นายกอภิสิทธิ์เป็นนายกสมใจแล้วสมใจเลิกแล้วฝาก็เปิดบ้านต้อนรับกล่าวชื่นชมว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกหากเช่นนั้นการที่ประเทศไทยได้พันตำรวจโทรทัศนสินนายสมัครนายสมชายเป็นนายก ตามการลองประชาธิปไตยนั้นเป็นความโชคร้ายหรือคงจะด้วยเหตุนี้ฝ่ายถึงได้ใช้อำนาจโค่นล้มรัฐบาลของประชาชนจนบ้านเมืองป่วนมาทุกวันนี้ใช่หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ถนนทุกสายจึงวิ่งหาคนเ็กเปรมเพราะบุคคลในแวดวงการเมืองได้พบเห็นช่องทางลัดของการขึ้นส่วนหน้าการเมืองอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นจึงมีแต่คนโง่เท่านั้น ที่ต้องการียำหน้าทางการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งของประชาชนเพราะทั้งต้องทุ่มเททั้งกายใจและทรัพย์และเสี่ยงภัยสายสตัวทัดขาดโดยเหตุนี้หลายคนจึงพยายามยำหน้ า, าการเมืองด้วยการแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดเล่อนทิ่มประตูหรือในหนึ่งก็คือพยายามจะโหนสาบันพระมหากษัตริย์เข้าสวมหน้าทางการเมืองซึ่งง่ายกว่าและเบาเบาแรงกว่ากันมากและมีตัวอย่างให้เห็นชัดแล้ว ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งที่จะวิ่งเข้าหาพลเอกเกรมจริยาสุานน์และทุกคนก็จะไม่ผิดหวังดังเช่นหลังการที่กำหนาจุดเก้ากันยายนสี่เก้าคนในเครือข่ายของคนเอกเกรมได้ดิบได้ดีกันเป็นแถวคนเอกธุรยุทธ์จุรานนท์ลูกเลี้ยงก็ได้เป็นนายกนายมชีชัยลชุภันลูกน้องก็ได้เป็นประธานภานิสิติบัญญัติแห่งชาตินาวาอากาศเอกประสงค์สุนทริลลลูกน้องก็เป็นประธานพาร่างรัฐธรรมนูญ นายชันชัยฤทธิปิติผาจิตจากประธานสารกิกาที่ให้ความร่วมมือในการตัดสินจำคุกลงโทษกรกตและไม่ให้ประกันตัวจนต้องหลุดจากตาแหน่งตามแผนก็ได้รับตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอารีวงศ์อารยะลูกน้องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนายบัญญัติจันจันเจนะอดีตผู้ว่าสงขลาเมื่อปลดเกษียณแล้วก็ทําตัว เป็นรัฐใช้คอยเศ้าบ้านที่สงขาให้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายโคสิตปั้มเปลี่ยนปั้มเปลี่ยนรัฐผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพที่ช่วยดูแลเศรษฐกิจการเงินให้และเคยร่วมคอรมอกับคนในกรีนก็ได้เป็นรองนายกและแม้แต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรัฐบุรุษก็ได้รับแต่งตั้งให้มีฐานะทางการเมืองเป็นทิวแถวหลังการรัฐประหารเมื่อ9กันยายน2549 โดยเหตุที่มีตัวอย่างการได้ดิบได้ดีเช่นนี้จึงเกิดบุคคลมากมายต่างก็พยายามแสดงตัวเป็นผู้ใกล้ชิดราชสำนักกันโดยหวังจะเป็นผู้มีบารมีนอกพระธรรมนูญกับเขาบ้างซึ่งมีทั้งจริงบ้างเท็จบ้างตัวอย่างเช่นนายสุนเมนธตามติเวชกุลเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งอ้างว่ารับใช้ใกล้ชิดและรู้เรื่องแนวทางพระราชดำํำริเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดนายแพทย์ประเวศวสี ผู้ตั้งฐานันดรทางสังคมของตนเองขึ้นมาว่ า, าราชดอนอวุโส ซ, ซึ่งอ้างว่าเป็นแพทย์ผู้ใกล้ชิดนายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไททวีที่อ้างว่าเป็นหมอหลวงผู้ใกล้ชิดนายโสพลสุภาพงศ์ก็อ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดเนื่องจากทำธุรกิจในนามเรมอนฟาร์มของฟัาบางจากเป็นาการรับใช้แนวพระราชดําริหมอมหลวงปีมาลากุลที่อ้างตัวเป็นตลกหลวงผู้ใกล้ชิดพระองค์ ทรงโผลดให้เข้านอกออกในส ำ, สำนักราชาวังได้และหลายล่าสุดที่ดูจะกระเลวกระลาดมากกว่าเขาก็คือนายสนทิลิ้งทองกุลแกนนำพันธมิตรที่พยายามจะแอบอ้างกับสังคมใ น, ในหลากหลายการณีว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับราชสำนักสายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร า, าชินีนาถเช่นอ้างว่าได้รับพระราชาทานผ้าพันคอสีฟ้าซึ่งเป็นสีพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า เพื่อมาใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการปลุกม็อบโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโทรทัศษสิน์รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวศและรัฐบาลนายสมชายวงศวร์เป็นต้นเมื่อเล่นนอกกติกาประชาธิปไตยเช่นนี้บ้านเมืองจึงปั่นป่วนประชาชนก็เดือดร้อนผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้แสดงบทบาททางสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจรัฐบาล ในแต่ละยุคที่มีความเข้มแข็งหรือเป็นรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีไม่เป็นที่โปรดปรานและในที่สุดต้องมีอันเป็นไปซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะลม้ลมลงด้วยการเดินขบวนหรือด้วยการรัฐประหารหรือรัฐประหารซ้อนรัฐประหารแล้วแต่กรณีส่วนรัฐบาลที่จะอยู่รอดปลอดภัยก็คือรัฐบาลที่อ่อนแอหรือรัฐบาลที่ไม่มีโอกาสจะสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทได้เลยเช่นรัฐบาลผสมที่ดูแล้วอายุไม่ยืนยาว เช่นรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยหรือรัฐบาลของนายบรรหารศิละปะอาชาเป็นต้นด้วยเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นแก่หลายรัฐบาลที่ผ่านมาในถูกกระบวนการนอกระบบประชาธิปไตยคือกระบวนการผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแตกแซงได้โดยเปิดเผยและระบบกฎหมายไม่อาจเอาผิดกับผู้มีบารมีได้แม้แต่คนเดียวเช่นนี้ จึงเป็นการยืนยันให้เห็นถึงระบอบ ก, การเมืองที่แท้จริงของไทยคือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นจึงไม่อาจจะมีกลุ่มการเมืองหรือสถาบันการเมืองใดๆก้าวขึ้นมามีบทบาทดำทางสังคมที่เข้มแข็งได้เพราะเครือข่ายราชสำนักจะเป็นจะเป็ น, ปนองค์กรเฝ้าระวังไม่ให้สถาบันการเมืองของประชาชนเติบโ ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาแข่งขันบารมีกกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ บริหารอำนาจฐานข้อจำกัดของทุกรัฐบาลโดยโครงสร้างทางสังคมของประเทศด้อยพัฒนาทุกประเทศจะมีลักษณะปัญหาร่วมทางทางสังคมที่คล้ายคลึงกันหรือมีช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกับคนร่ำรวยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศส่วนคนกลุ่มที่เข้ามาสู่อํานาจรัฐก็จะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของคนรวยแต่เฉพาะของสังคมไทยมีความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างยิ่งกว่านั้นไปอีก กล่าวคือจะมีกลุ่มผลประโยชน์แบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆที่ขัดแย้งกันคือหนึ่งกลุ่มพลเรือนคนญากจนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศส่วนมากเป็นเกษตรกรและเป็นกรรมกรรับจ้างผู้ไร้สมบัติส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในชนบทสองกลุ่มพลเรือนพ่อค้านายทุนรวมถึงคนระดับกลางซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ เมื่อเปรียบกับคนกลุ่มแรกและส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในเมืองหลวงและชุมชนเมืองตามอำเภอและจังหวัดสามกลุ่มคุณนางซึ่งเป็นคนหยิบมือเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับคนกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองคนกลุ่มนี้เป็นข้าราชการทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจและทหารแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมแต่เนื่องจากมีระบบจัดตั้งเป็นองค์กรและมีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมายาวนานกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการกล่อมเกลาทางสังคมวัฒนธรรมโซเชียลไอซิชันที่แข็งแกรงให้มีสํำนึกผูกพันและรับใช้โดยตรงต่อพระมหากษัตริย์จากโครงสร้างของกลุ่มผลประโยชน์สามกลุ่มนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มขุนานางแม้จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มชนที่มีอานาจมากที่สุดเพราะได้รับการสนับสนุนทางอำนาจโดยตรงจากพระมหากษัตริย์เช่นการให้เครื่องราชอิสริยภร อ, อันเป็นสัญลักษณ์เกียรติยศทางสังคม ซึ่งพอข้านายทุนและชาวนาชาวไร่จะไม่ได้รับเกลียดเกียดเช่นนี้รวมตลอดทั้งการให้โอกาสแก่กลุ่มข้าราชการเข้าเฝ้าใกล้ชิดอยู่เสมออีกทั้งมีพิธีกรรมที่ให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอดังนั้นเมื่อประชาชนก้มหัวให้แก่พระมหากรัตั้นก็ต้องก้มหัวให้แก่ทหารตำรวจและข้าราชการผู้ใกล้ชิดพระองค์ด้วยและการก้มหัวให้นั่นเองก็คือการยอมรับอำนาจที่อยู่เหนือกว่าโดยเห็นนี้ จึงทําให้กลุ่มผลนางมีเงื่อนไขาทางสังคมที่ดูดเอาผลประโยชน์และทรัพยากรจากสังคมไปหล่อเลี้ยงพวกตนได้มากที่สุดทําให้บ่อน้ําแห่งผลประโยชน์ทางสังคมเหลือน้อยจำต้องแย่งกันระหว่างกลุ่มผลเรือนกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มผลเรือนกลุ่มที่สองซึ่งมีความเข้มแข็งกว่าซึงเป็นผลให้กเกษตรกรคนยากคนจนทุกยากยิ่งขึ้นและเกิดความขัดแย้งกันแต่ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมานี้ กลุ่มพ่อค้าในทุนได้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นมากและนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเหตุการณ์14ตุลาคม2516กลุ่มพเลเรือนพ่อค้าในทุนนี้ได้แสดงบทบาทนำทางการเมืองเด่นชัดมากขึ้นจากเดิมต้องแอบอยู่ข้างหลังกลุ่มขุนนางจต่ปัจจุบันกลับยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มขุนนางโดยอาศัยระบอบประชาธิปไตยเข้าสวมหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็นนายกรัฐ ม, มนตรีซึ่งมีฐานะเป็นเจ้านายกลุ่มขุนนาง โดยอาศัยระบอบการเมืองแบบรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งดังจะเห็นนายกดังจะเห็นนายกมนตรีและรัฐมนตรีส่วนมากที่มาจากนักธุรกิจซึ่งแตกต่างจากการเมืองก่อนปี2500ที่มีแต่นายทหารและขุนนางเป็นผู้นำอย่างเด่เดนชัดซึ่งย่อมจะเกิดความไม่พอใจแก่กลุ่มขุนนางขา้าราชการทั้งหลายอีกทั้งกลุ่มพลเรือนพ่อค้าได้ใช้อานาจแย่งชิงทรัพยากรจากขุนนางที่เคยอิ่มหนี้ีมัน มาแบ่งปันให้แก่กลุ่มชาวนาชาวไร่คนยากคนจนเพื่อชงชิงให้เป็นพรรคพวกหรือในหนึ่งก็เพื่อขอแรงสนับ ส, สนุนทางการเมืองในรูปของคะแนนเสียงโดยเสนอนโยบายที่เด่นชัดเช่นนโยบายประชานิยมของทักษิณจึงทําให้กลุ่มขุนนางไม่พอใจกลุ่มพรลรือนพ่อค้าที่ครองอานาจมากยิ่งขึ้นดังนั้นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มพ่อค้าในทุนกับกลุ่มขุนนางจึงเป็นความขัดแย้งที่ชิงความเป็นใหญ่ในกรอบอํานาจทางการเมืองอยู่เสมอ ในช่วงห้าพันสัตว์ที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งในระดับที่ประนีประนอมกันได้เช่นการทะเลาะบอกแว่แงกันระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองในการบริหารงานราชการในภาวะที่มีการเลือกตั้งและความขัดแย้งในระดับที่ประนีประนอมกันไม่ได้เช่นการทํารัฐประหารยึดอํานาจล้อมอํานาจของพรรคการเมืองและความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มพลเรือนพ่อค้าได้พยายามจะย่งลากลึกสู่กลุ่มพลเรือนเกษตรกร เพื่อจะพัฒน์ ก, กำลังทางการเมืองร่วมกันซึ่งหากปล่อยให้พัฒนาไปโดยสันติก็จะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือตัวแทนกลุ่มพลเรือนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่สุดที่จะต้องขึ้นมาเมียนาจากการเลือกตั้งแต่เนื่องจากระบอบ ก, การปกครองของไทยยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอํานาจการเมืองยังรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์และขุนนางด้วยเหตุ น, นี้กลุ่มขุนนางซึ่งเป็นกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวแต่มีการจัดตั้งเข้มแข็ง จึงไม่อาจจะยอมให้เกิดการพัฒนาอำนาจของพลเรือนให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอย่างมั่นคงได้ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยจึงนับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นดังนั้นเหตุผลของการรัฐธประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนในทุกครั้งที่กล่าวอ้างนั้นจึงเป็นเรื่องโกหกและความจริงที่เป็นเนื้อแท้ของความขัดแยง้งก็คือการทํำลายฐานอำนาจของกลุ่มพลเรือนพ่อค้านายทุนไม่ให้ก้าวขึ้นมาปกครอง แต่เพื่อรักษาประโยชน์ทางสังคมของกษัตริย์และขุนนางไว้เท่านั้นในสภาพความเป็นจริงกลุ่มพลเรือนของพ่อค้านายทุนก็มีความขัดแย้งกันแบ่งเป็นหลายกลุ่มผลประโยชน์ทั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มการเมืองในแก่การจัดตั้งพรรคการเมืองที่แบ่งกันเป็นหลายพรรคการเมืองซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตยแต่แทนที่กษัตริย์และกลุ่มขุนนางจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดยยืนดูอยู่ห่างๆก็กลับกลายเป็นใช้เงื่อนไขแห่งธรรมชาติความแตกต่างทางความคิดนี้ขยายผลให้เป็นความแตกต่างแต่แยกและเข้าแทรกแซงหนุนหลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้กลุ่มขุนนางกลายเป็นโจแปรที่สําคัญในทางการเมืองและสุดท้ายก็จบลงด้วยทำการยึดอํานาจและใส่รลายไา่สีติดเบือนการเมืองระบอบประชาธิปไตยเสมอมาในการแข่งแย่งอานาจทางการเมืองกันระหว่างกลุ่มพลเรือนพ่อค้ารูปประทัก็คือพยายามช่วงชิงกลุ่มคนยากจน เป็นกลุ่มใหญ่ของสังคมเป็นพรรคพวกในโครงสร้างอํานาจของพรรคการเมืองด้วยทั้งโฆษณาใส่ร้ายซึ่งกันและกันและพยายามหาจะหาคะแนนเสียงด้วยการอวดอ้างว่ากลุ่มตนเป็นผู้ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มคนยากจนมากกว่าโดยมองไม่เห็นภัยของกลุ่มคุนนางดังนั้นจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งทุกครั้งก็จะจบลงด้วยการรัฐประหารที่อานาจ ในระยะต้นฝ่ายขุนนางพวกทหารในฐานะหัวหน้าขุนนางก็จะพยายามหลอกลวงทำดีกับคนยากจนเช่นเดียวกับพวกพักการเมืองด้วยนโยบายแจกผลประโยชน์และอวดอ้างคุณธรรมพร้อมทั้งโจมตีพวกข้อค้านายทุนที่เป็นผู้นำพักการเมืองว่าเป็นผู้คิดคดทรยศต่อบ้านเมืองหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบเป็นนายทุนขุดรีขุดขุดรีด ข, ด ข, ดขุดเนื้อประชาชนแต่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็ให้บทเรียนแก่ประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว, ว่า โกขนนางที่เข้ามายึดอํานาจนั้นสุดท้ายผู้ฝูงเหลือตัวจริงที่คลองอำนาจโดยการหลอกเรื่องคุณธรรมและความเชื่อทางสายศาสตรวว่าพวกเขามีอานาจด้วยบุญบารมีและห้ามตรวจสอบซึ่งแตกต่างจากซึ่งแตกต่าางจากกลุ่มพลเรือนพ่อค้าที่มีอานาจโดยขอความชอบธรรมจากประชาชนในรูปแบบของนโ ย, นโยบายทางการเมืองและตรวจสอบได้ทุกๆสี่ปีแต่อย่างไรก็ตามแม้คนในกลุ่มพ่อค้าในทุนด้วยกันเอง จะขัดแย้งกันในทางการเมืองและจะขัดแย้งกับกลุ่มคนนางก็ตามทีแต่คนทั้งสองกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่ได้เปรียบทางสังคมเป็นเศรษฐีและเจ้าและเจ้าที่ดินซึ่งมีฐานะที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่ของสังคมดังนั้นคนสองกลุ่มนี้จึงมีผลประโยชน์ร่วมกันและจะไม่แบ่งผลประโยชน์หลักให้แก่คนยากจนดังจะเห็นได้ว่าห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าคนกลุ่มไหนจะไปมีอำนาจในสภาก็จะไม่มีการออกกฎหมาย การจัดเก็บภาษีมรดกและการจัดเก็บภาษีที่ดินที่ก้าวหน้าได้เลยโดยพร้อกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของคนทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งเป็นผลประโยชน์เดียวกันกับของถาบันพระมหากระสัตรเพราะพระมหากระสัตรเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยที่รวยทั้งทรัพย์สินที่เป็นเงินสดประกอบกับสินทรัพย์และรวยที่ดินมากที่สุดในประเทศโดยเหตุนี้เองกลุ่มพ่อค้านายทุนและกลุ่มขุนนาง จึงแย่งชิง ส, สะสมสินทรัพย์เงินทองและที่ดินกันอย่างบ้าคลั่งเพราะนอกจากเก็บภาษีการสะสมที่ดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ต้องเสียภาษีมรดกอีกด้วยกลุ่มบุคคลผู้ได้เปรียบเหล่านี้จึงระดมสะสมที่ดินกันจึงทําให้ช่องว่างระหว่างกลุ่มคนจนกับคนรวยทางเหินยิ่งขึ้นไปอีกผลประโยชน์ที่คนกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามเมื่อเป็นรัฐบาลจะให้แก่คนกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนนั้นก็เป็นเพียงเนื้อข้างดีข้างเคียง ซึ่งเป็นเศษผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเพียงน้อยนี้เท่านั้นเนื่องจากไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลในสภาวะของประเทศต้อยพัฒนาเช่นประเทศไทยเหลานี้ก็ล้วนแต่เก็บภาษีได้น้อยดังนั้นเมื่อนําภาษีไปจัดแบ่งเป็นผลประโยชน์ของเงินเดือนข้าราชการการซื้ออุปกรและลูกพันแล้วก็เหลือเงินจํานวนไม่มากที่จะฝาักให้แก่ประชาชนในรูปเงินรัฐรัฐสวัสดิการหรือเงินภาค บ, บริการสังคมซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนแล้ต่มีผลประโยชน์หลกัหลกๆจากการเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินและภาษีนอดกระบด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งเป็นฐานของรายรับของรัฐที่นำไปจัดบริการให้แก่คนยากคนจนในภาวะแห่งความขัดแย้งเช่นนี้จึงเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ทางสังคมของคนยากคนจนอยู่ไม่ขาดสายด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงเกิดภาวะความขัดแย้งของกลุ่มคนทางสังคมทั้งสามกลุ่ม มันเป็นปกติตลอดเวลา70กว่าปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลโดยฐานประเทศก็จะมีข้อจํากัดด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่พอเพียงเกิดอยู่ล่าไปโดยเหตุ น, นี้สถาบันข้ามอาณาจักรที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจมากที่สุดในสังคมจึงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบที่จะกำจัดอํานาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตนไม่พอใจและเพื่อนําไปสู่เป้าหมายสุสูงสุดทางการเมือง คือมให้กลุ่มการเมืองใดมีความเข้มแข็งทางการเมืองอันอาจจะเป็นอันตรายต่ออำนาจสูงสุดทางการเมืองของตนได้โดยการบริหารจัดการตามทฤษฎีแบ่งแยกแล้วปกครองแต่ดำเนินการอย่างแนบเนียนในฐานะที่เสมือนเทพพ ย, ยดาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยการบริหารอำนาจผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐมนูญโดยอาศัยข้อจํากัดทางอำนาจของทุกรัฐบาลการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในภาวะโครงสร้างการเมืองปัจจุบันจึงจกลายเป็นการสร้างความแตกแยกทางการเมืองมากกว่าที่จะสร้างสางมัคนคงทางการเมืองด้วยภาวะของการบริหารอำนาจในระบ อ, สอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่เช่นนี้เองเราจึงไม่อาจจะมีรัฐบาลใดที่มีเสียรภาพได้เลยรวมตลอดทั้งไม่อาจจะมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาระบบพกักการเมืองให้เข้มแข็ ง, ขงเพื่อเป็นฐานของรัฐบาลที่มีเสียรภาพได้ด้วยเช่นกันซึ่งล่าสุดในต้นศตวรษที่21 ระหว่างปี2544ถึง2551แม้จะเกิดระบบพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและมีรัฐบาลที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาของประเทศปกติใกล้แล้วก็ตามก็ถูกอำนาจของกลุ่มขุนานางข้าราชการทำการก่อกวนและยึดอำนาจในที่สุดเมื่อ19กันยายน2509ขอทาทั้งยุคพรรคการเมืองและตัดสิทธิกรรมการบริหารพัรกรรมการการบริหารในปี250 25 ถึงเท่ากับกลุ่มคุณนางทำลายกับกระบวนการเติบโตของกลุ่มพลเรือนที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมที่เข้มแข็งขึ้นเกินกว่าที่ราชสานักจะคุมได้เช่นในอดีตแล้วการบริหารอย่างมีข้อจากัดของรัฐบาลทุกรัฐบาล น, นั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่มีอำนาจที่แท้จริงในการบราหิหารประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตที่มีความขัดแย้งทางความคิดและทางผลประโยชน์ของกลุ่มคนด้วยแล้วเราจึงเห็นรูปประทัง ที่เป็นจริงว่าหาเกิดการรวมตัวของผู้ชนประท้วงรัฐบาลเมื่อใดแล้วก็จะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงการคลางทลายของรัฐบาล น, นั้นทันทีโดยรัฐบาลไม่ยิ้มหน้าที่จะจัดการทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแต่ทุกรัฐบาลก็ไม่อาจจะใช้กลไกทางราชการทหารตำรวจเข้าจัดการได้เหมือนอย่างเช่นในอนาณาอารยะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพราะตามความเป็นจริงแล้วทหารตำรวจ ไม่ใช่เครื่องมือของรัฐบาลแต่เป็นเครื่องมือของกษัตริย์การทำข่าวเปรียบเทียบเชิงสั ญ, ญลักษณ์ของคนเอกเพลยจินนสุรานนท์ที่ว่าจ็อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้าม้าเป็นเจ้าของข้อม้าไม่ต้องฟังคําสั่งจ็อกกี้อีกทั้งในอดีตก็พิสูจน์มาแล้วว่าแม้รัฐบาลมาจากทหารอาชีพซึ่งเปรียเสมือนเป็นจ็อกกี้ก็แม่จะบงังคับบัญชาม้านั้นได้เช่นรัฐบาลพมชในช่วงระหว่างปี2549ถึง2550 ก็ไม่อาจจะจัด ก, การกับกลุ่มนปชผู้ประท้วงได้และหากรัฐบาลใดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นี้โดยใช้กำลังทหารตำรวจเข้าปราบพลังการประท้วงรัฐบาลนั้นก็จะพังทลายเร็วขึ้นกว่าเดิมดังเช่นรัฐบาลพนเอกสุจินดาคารายูนในเหตุการณ์ปราศรจชนพุทธพัมินเมื่อปี2535เป็นต้นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เหตุการณ์ชลาจนในปี2551ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทําการยึดทําเนียบรัฐบาล ยึดสถานีโทรทัศน์ NBT และยึดสนามบินเพื่อขับไล่รัฐบาลในสมัครสุนทรเวทต่อเนื่องถึงรัฐบาลในสมชายวงศ์สวัสดิ์รัฐบาลก็ไม่กล้าดําเนินการใดๆจนแม้ว่าเป็นการจลาจลอันไม่อาจจะทนได้โดยแม้รัฐบาลจะได้สั่งการโดยประกาศภาวะถุกเฉิญให้อํานาจแก่ทหารและตำรวจแล้วแต่ทั้งทหารและตำรวจก็ไม่กล้าดําเนินการใดๆเช่นกันโดยเพาทุกคนฟังอํานาจจากเบื้องบนเป็นหลัก จนเกิดการกล่าวขานว่าม็อกเส้นใหญ่โดยนำมาจากคำตอบกระทู้ในสภาของพลตำรวจเอกโกวิศวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลูกประทังกำจัดอำนาจรัฐบาลถนอมประพาสแม้รัฐบาลถนอมกิตติคจรและจอมพลประพาสจะลุกเสถียน เป็นผู้สืบสื บ, สบต่ออำนาจจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่สนับสนุนให้อำนาจของราชสำนักเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นแต่โดยเนื้อแท้ของรัฐบาลถนอมกิตติขจรเป็นรัฐบาลของทหารที่ยังสืบต่อวัฒนธรรมทหารที่เป็นตัวของที่เป็นตัวของตัวเองไม่ขึ้นต่อกษัตริย์และทั้งจอมพลถนอมและจอมพลประภาสก็เป็นทหารที่เคยสู้รบกับฝ่ายเจ้าในสงครามปราบกบฏพระองค์เจ้าบวรเดชเมื่อปี2476 ั้งได้แสดงศักยาภาพในความเข้งแข็งที่จะสืบต่ออำนาจอันยาวนานในอนาคตด้วยการพึกงกำลังโดยอาศัยวัฒนธรรมเขือญาติโดยการแต่งงานระหว่างพันเอกนรงกิติคจรลูกชายจอมพลถนอมกับลูกสาวจอมพลประภาสโดยเห็นชัดถึงการถ่ายทอดอำนาจต่อการให้ให้แก่ทายาทคือพันเอกนรงกิติคจรอย่างแน่นอนซึ่งเป็นที่หวานระแวงของกษัตริย์ภูมิพลเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการครองอำนาจของจอมพลถนอมและจอมพลประภาธตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมานับตั้งแต่การเึียชีวิตของจอมพนนลสฤษดิ์ธนรัตนจนถึงปลายปี2516จอมพลถนอมกิตติขจรและจอมพลประภาธไดแสดงบทบาทของการสือบอํนนานาจแบบไร้กติกาโดยโดยต่ออายุราชการให้จอมพลถนอมให้มีอำนาจในตาแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงสองครั้งและในขณะที่เป็นนายกมนตรีอยู่แท้ก็ยังปฏิวัติตัวเอง เพื่อรวมอำนาจทั้งหมดไว้กับตนโดยใช้อำนาจคนะปฏิวัติบริหารประเทศนานถึง13เดือนโดยไม่ขออำนาจจากราชสำนักเพื่อออกธรรมนูญการปกครองด้วยเท่ากับประเทศชาติบริหารโดยไม่มีกฎหมายอีกทั้งยังขยายอำนาจครอบงำทุกองค์กรแม้แต่องค์กรศาลที่เป็นฐานอำนาจอันเดียวของราชสำนักที่เป็นหนึ่งเดียวในสามอนาจอธิปไตย ที่ปลอดจากอํานาจก้าวไก่ของทหารที่ขณะนั้นคุมสภาและคุมฝ่ายบริหารอย่างเหนียวแน่นโดยจอมพลถ น, นอมในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติเมื่อ17พฤศจิกา ย, ยน2517ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่299ที่กําหนดให้รัฐบาลเข้ามาครอบงำอํ า, อ น, าอนาจศาลได้ถึงถูกขนานนามว่าเป็นกฎหมายโบดําและจากจุดนี้เองรูปธรรมความขัดแย้งกับราชสำนักนก็ปรากฏเด็นชัดขึ้น โดยขบวนการต่อต้านรัฐบาลจอมพลถนอมได้ก่อตัวขึ้นจากผู้มีบารมีนอกรัฐมนูญในขณะนั้นคือห ม, อ ม, ม่อมราชวงศ์ครื่อเิศกลาโมดผู้เป็นเชื้อพระวงเป็นทั้งนักคิดนักเขียนเป็นนายทุนธนาคารเจ้าของกิจการธนาคารกรุงเทพพานิชยาการและเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามรัฐก็ได้ใช้กระบอกเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจอมพลถนอมอย่างไม่เกรงกลัวและได้ส่งผลสะเทือนให้กลุ่มนักศึกษาปัญญชน ซึ่งนอนสงบนิ่งมานานนับตั้งแต่ปี2500ที่ถูกปราบปรามสมัยจำพนสลิกก็เริ่มฟื้นตื่นขึ้นและก่อตัวร่วมกันระหว่างจุฬาและธรรมศาสตร์ทาการประท้วงแบบค้างคืนต่อเนื่องยาวนานหลายวันและที่ทําการศาลที่สนามหลวงโดยอาจารย์กฎหมายในมหาวิทยาลัยสายล่าชัํานักให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะหลังจากนั้นขบวนการนักศึกษาเติบใหญ่และเชื่อมต่อกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทเป็นตัวแทนเชิชงสัญลักษณ์กษัตริภูมิพลทั้งในฐานะเชื้อพระวงและผู้ใกล้ชิดพอคิดเห็นทางการเมืองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่สแสดงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐจึงเป็นพงนําการต่อต้านรัฐบาลของจอมพลถนอมโดยประชาชนกลุ่มผู้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เสียประโยชน์จากนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลจอมพลถนอมต่างก็ติดตามข่าวสารจากสยามรัฐ แต่ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เก็บสะสมความชิงชังโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถเกาะสายอํานาจได้รวมตลอดถึงนโยบายการคุมอํานาจแบบเร็ดแบบเผด็จการก็เกาะให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักศึกษาปัญญาชนรวมตลอดทั้งครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมากยิ่งขึ้นดังนั้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่พึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลจอมพลถนอมจึงเกิดการถักทอประสานมือกันซึ่งในขณะนั้น กลุ่มแกนนาการเคลื่อนไหวยังอยู่ในหมู่นักศึกษาปัญญชนเป็นหลักในด้านพรรคการเมืองก็มีพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายเจ้ามาแต่เดิมและมีราชนิกูลคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นหัวหน้าพักประทาการประสานเคลื่อนไหวกับกลุ่มนักศึกษาปัญญชนโดยเฉพาะนังสืบพิมพ์สยามลัตก็เป็นที่สะสมกําลังพลนักคิดนักเขียนที่เป็นปฏิบัติกับรัฐบาลของจัมพ์พลถนอม สยามรัฐจึงเป็นแหล่งขุมกําลังเป็นแหล่งขุมกําลังสําคัญซึ่งกำลังส่วนหนึ่งก็เชื่อมต่อกับพรรคประชาธิปัตยเช่นนายวีระมุสิกพงศ์เดิมเป็นนักเขียนท่ายสยามรัฐนามปากกาไข่มุกดำนายสมัคร์สุนทรเวทนักเขียนนามปากกานายหมอดีและบางคนก็เชื่อมต่อกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเช่นดรเบสเอนสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และเมื่อคนล้มจอมพลถนอมแล้วดรเกษมก็ร่วมจัดตั้งพรรคกิจสังคมกับมงัมงลัทธวงศ์ครึกฤทธิ์เป็นตน้นกระบวนการต่อต้านรัฐบาลถนอมได้สร้างได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกลียดน่าชังให้แก่รัฐบาลจอมพลถนอมด้วยการเรียกขานว่าเป็นรัฐบาลครอบครัวบ้างรัฐบาลทรราชบ้างแต่ที่ติดฝากจนถึงทุกวันนี้คือรัฐบาลถนอมประภาส และจากจุดอ่อนทั้งภาพลักษณ์และเนื้อหาความเป็นเผด็จการที่ผูกขาดทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองการทหารที่เตรียมปูทางให้พันเอกนาลงกิติคจรขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่พันเอกนาลงเป็นคนที่มีอุปนิสัยมุทะลุดุดันจึงถูกเพือข่ายราชสำนักปล่อยข่าวเพื่อเตรียมโค่นล้มอำนาจว่าพันเอกนาลงเฮิมเกริมคิดจะล้มล้างราชวงศ์ เพื่อเติมตัวขึ้นเป็นประธานาธิบดีและ อ, อกอาจถึงขนาดเคยชักปืนยิงขึ้นยิงในพระบรมมหาราชวังข่าวลือในทางร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นหนาหูมากขึ้นทุกวันจนสร้างกระแสเกรียดชังในหมู่ประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี2513ถึง2516ได้เกิดกรณีเดินขบวนของนักศึกษาอยูอ่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เช่นการเดินขบวนต่อต้านการทุจริต ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเดินขบวนต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเดินขบวนต่อต้านการล่าสัตว์ล่าสัตว์ป่านในทุ่งใหญ่ของพันเอกนาลงกิติคจรและพรรคพวกเดินขบวนต่อต้านการลบชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยลำคำแหงและเริ่มเข้าสู่ประเด็นการต่อต้านทางการเมืองชัดเจนขึ้นเช่นการเดินขบวนต่อต้านการยึดอํานาจตัวเองของจอมพลถนอมกิติคจรเมื่อ17พฤศจิกายน2514 การเดินขบวนต่อต้านกฎหมายโบดัมที่ลิดรอนอำนาจศาลจนกระทั่งเกิดการเดินขบวนเรียกร้องรัฐธรรมนูญจนเกิดเหตุการณ์รจลาจลเมื่อ14ตุลาคม2516การเดินขบวนของนักศึกษาในช่วงตั้งแต่ปี2513ถึง2516นี้ได้กลายเป็นสัญญาณทางสังคมที่มองบอกให้รัฐธรนักมองเห็นถึงช่องทางการพังทลายของระบอบถนอมประพาธและแล้วสัญญาณที่จะพุ่ง ชนอำนาจทหารของถนนพระพาตก็ปรากฏชัดเจนขึ้นและเมื่อมีนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลั ย, รยธรรมศาสตร์จุฬาและประชาชนรวมตัวกันลงรายชื่อลายมือชื่อรวม99คนถวายดีกาต่อพระสัตร์เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญอาจารย์หลายคนในนั้นวันนี้ก็แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นเครือข่ายราชธรมนักเช่นนายชัยนัน์สมุทรวันิสเป็นต้น และก็นักชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีนายสัญญาธรรมศาสตร์ผู้พิพากษาผู้ใกล้ชิดวังเป็นอธิการบดีถึงช่างเป็นเรื่องพอเหมาะที่ลงตัวจริงๆได้เกิดการจับกลุมตัวแกนนํำผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูน13คนจึงเกิดการชุมนุมใหญ่ขึ้นที่ธรรมศาสตร์และในคืนวันที่13ตุลาคม2516ขบวนนักศึกษาที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับทั้ง13คน ก็เคลื่อนขบวนออกจากหมาหออมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การนำของนายเสกสรรประเสิกุลผู้นำนักศึกษาซึ่งมีผู้คนเต็มถนนราชดำเนินประมาณไม่น้อยกว่าห้าแส0คนโดยไม่มีใครคาดฝันว่าจะมีคนมากถึงขนาดนี้นายเสกสรรก็ไม่สามารถจะควบคุมผู้คนที่มากมายขนาดนี้ได้สุดท้ายนายเสกสรรจึงนำขบวนไปขอพึ่งบรารมีที่วังสวนจิรดาแน่นไปหมดซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ได้ปรากฏชัดถึงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลถนอมประพาสกับประศัตรภูวิพลแล้วสุขศาีจึงระมัดระวังตัวลำต่างคุ้มเชิงทางการเมืองกันอีกชั้งเกิดความสงสัยว่านายเสกสรรประเสริฐกุลผู้นำมวลชนนักศึกษาในขณะนั้นและพรรคพวกเป็นคอมมิวนิสต์และนายถนอมประพาสก็เชื่อว่านี่กลุ่มทหารทหารพันและตำวตวะรวจตชดที่มีวางหนุนหลังอยู่เข้าแทรกแซงด้วย ดังนั้นในช่วงเย็นของวันที่13ตุลาคม2516รัฐบาลถนอมพระาพาตก็ยอมปล่อยแกนนำทั้ง13คนและพอตกข่ำก็ผ่อนปลนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่างรัฐมนูญให้เสร็จภายใน6เดือนโดยแกนนำประกาศในที่ประชุมหน้าวังสวนจิตผู้ชุมนุมต่างพอใจและเตรียมการสลายตัวการเดือของคืนนั้นแต่กลัวจะเกิดอันตรายจึงขอให้ฟ้าสางก่อนจึงจะแยกย้ายกันกลับบ้าน พอฟ้าเริ่มสางประมาณหกโมงช้าของวันที่สิบี่ตุลาคมสองห้าหนึ่งหก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งให้ตำรวจที่ตรึงฝูงชนอยู่หน้าวังสวนจิรดาเป็นผู้เปิดศึกให้กระบองจีนักศึกษาจนฝูงชนแตกพือนและกลายเป็นจลาจลขึ้นและมีเหตุการณ์สําคัญที่ยืนยันได้ก็คือนักศึกษาหน้าวังที่แตกพือนั้นส่วนหนึ่งกระโดดลงคูน้ํารอบวัง แล้ววิ่งหลุดเข้าไปในวังในรั้วสวนจิลรดาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชสำนักและในคืนของวันที่14ตุลาคม2516นั้นท่ามกลางความโกลาหลจอมพนถนอมได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และมีพระบรมราชโ อ, องการให้ออกนอกประเทศและรับปากว่าเหตุการณ์สงบแล้วจะให้กลับมาใหม่จอมพนถนอมและจอมพประภาสจึงหนีออกนอกประเทศแล้วเหตุการณ์ก็ค่อยๆเริ่มสงบลง แต่สิ่งที่น่าสังเกตและเป็นที่สงสัยตลอดมาในทุกเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อขับไล่รัฐบาลที่รัชสมนักไม่โปรดนั้นมักจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งจะคล้ายกับเหตุการณ์ล้มอานาจรัฐบาลที่เกิดขึ้นในภายหลังจนถึงปัจจุบันคือหลังจากถนอมประภาสณรงค์หมดอํานาจแล้วก็ติดตามมาด้วยการยึดทัพทั้งหมดเป็นการสตัดอํานาจคาท่าว่าจะดําเนินคดีกับถนอมประภาสณรงค์กรณีสังหารประชาชน แต่แล้วก็ล้มเลิกกันไปอดีตนายกทุกคนที่ถูกขับไล่หรือถูกยึดอำนาจสุดท้ายก็ไม่มีอะไรและทุกคนจะมาเข้าเฝ้าในพระราชาพิธีสำคัญโดยนั่งอยู่ในกระลพิธีเดียวกันดูคล้ายๆสุดาสนายก ร, รัฐมนตรีรูปธรรมการจํำจัดอำนาจรัฐบาลสังคมนิยมอ่อนเมื่อรัฐบาลถนอมกระาศนรงค์ถูกกาจัดอย่างสิน้นซาก ก็ถือได้ว่าราชสำนักก็หมดเสี่ยนหนามแล้วและรัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นรัฐบาลที่ขึ้นต่อราชสำนักคือรัฐบาลนายสัญญาธรรมจักรรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คลึกเลสปราโมดและรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดซึ่งเป็นเชื้อพระวงแต่เนื่องจากพลังนักศึกษาที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจะใช้เป็นเครื่องมือในการโค่นล้มรัฐบาลผด็จการถนอมประภาสกระลงตามความต้องการของราชสำนักนั้น หือเป็นครั้งแรกที่ขบวนการนักศึกษาประชาชนเสนอ ก, กําลังการและโคนะ่นล้มรัฐบาลได้อย่างฉับพลันจนยังไม่มีใครทํานายได้ว่าพลังนี้จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดรวมทั้งรัฐสํ า, านักก็ไม่อาจจะควบคุมได้ปรากฏว่าพลังนักศึกษาประชาชนได้พัฒนากลายเป็นพลังประชาธิปไตยที่ต้องการกสิทธเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคมโดยพลังนักศึกษาเหล่านี้ได้เกิดการจากองค์กรมากมายหลากหลายรูปแบบแต่มีุดมการหลักๆเหมือนกัน จะต้องการเห็นความเป็นธรรมทางสังคมทุกกลุ่มมุ่งเข้าหาประชาชนมุ่งสู่ชนชนบทเพื่อต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ทำกินต่อส้างการขุดรีดค่าเช่านามุ่งสู่โรงงานสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องค่าแรงเป็นที่เป็นธรรมและสิทธิการรวมตัวจัดตั้งองค์กรสหาภาพแรงงานและมุ่งสู่คนยากจนในแหล่งชุมชนแออัดในเมืองต่อสู้เพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย และส่วนที่ก้าวมากๆก้าวหน้ามากๆก็เห็นเป็นก็เห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากจากการกดขีก่กดลิกดกดขี่ขุดรีและหลอกลวงของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเดินทางเข้าร่วมกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจับอาวุธลุก ข, ขึ้นต่อสู้เพื่อโคน่นล้มอํานาจของรัชสํานักก็มีในสภาวนการที่กระแสเรียกร้องความเป็นธรรมขึ้นสู่กระแสสูงจึงเกิดการตื่นตัวทางความคิดเกี่ยวกับรัฐที่สังคมนิยม ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพราะมีคนยากจนอยู่มากควรจะนําระบบเศรษฐกิจแนวสังคมนิยมมาใช้ในประเทศไทยเพื่อเฉลี่ยสุขจากคนรวยให้แก่คนจนและในทางการเมืองก็เกิดพรรคแนวนโยบายสังคมนิยมขึ้นได้แก่พรรคพลังใหม่พรรคแนวร่วมสังคมนิยมและพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยซึ่งจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2517ประชาชนในชนบท ก็พึงพอใจในนยโยบายสังคมนิยมจึงมีสสของทั้งสามพักนี้เข้ามาจํานวนมากโดยเห็นมีพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักการเมืองที่ฉวยโอกาสเน้นการโหนเอ่เน้นการโค้นกระแสเป็นหลักและขณะนั้นรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนียปราโมชในช่วงท้ายก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519จึงประกาศตัวเป็นสังคมนิยมอ่อนๆจึงทําให้ราชสํานักไม่ไว้วางใจยิ่งก่อนหน้านี้หมอ่อมราชวงศ์คลึกฤทธ ก็เปิดสัมพันธ์ทางการทูต ก, กับประเทศจีนคอมมิวนิสต์โดยห ม, อม่อมฉชองครึกเล็กนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกรุงปักกิ่งจับมือเมาเซตุงศัตรูหมายเลขหนึ่งของราชวงศ์ด้วยแล้วก็ยิงทําให้ราชสำนักไม่มั่นใจต่อบบทบาท ข, ของพี่น้องสกุลปราโมดในขณะนั้นในสภาพการเช่นนี้จึงเกิดการผักดันให้จัดตั้งองค์กรอุดมการ์ขวาจัดขึ้นมามากมายเป็นเครือข่ายเพื่อปกป้องราชสำนักใีการถ่ายเทพลังสู่บุคคลที่มีอำนาจเชิงสั ญ, ญลักษณ์เช่น คนตรีสุดสายเทพขัดดินหัวหน้ากลุ่มกัตินแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอาชีวะที่มีพฤติกรรมเป็นนักเลงเพื่อเอาไว้ต่อสู้ทำลายองค์กรนักศึกษาพันธงอุทานสนิทวง์นายยุทธยาหัวหน้าสถานีวิทยุยานกรบผู้ทำหน้าที่ปลุกกระดมทางความคิดโดยใช้วิทยุยานกรบเป็นกระบอกเสียงขายกับนายสนี่เลี้ยงทองกุลที่ใช้สถานีเอเอสทีบีปลุกกระดมในวันนี้ คนตำรวจตรีสุรพลจุลพรามผู้บัญชาการตำรวจระเวนชายแดนในฐานะแกนนำองค์กรลูกเสือชาวบ้านด็อเตอร์วัฒนาเกียววิมลแกนนำกลุ่มนวพนและภาคกิติวุฒโธเจ้าอาวาสวัดจิตพาวันแกนนำกลุ่มสงต่อต้านคอมมิวนิสต์และกลุ่มบุคคลในกลุ่มอาชีพที่น่าเชื่อถือคือนายชานินไกรวิเชียนผู้พิพากษาสารดีกา และเป็นอาจารย์สอนกฎหมายพร้อมเครือข่ายเช่นนายดุษิทธิลิวันอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายสมัครศุนทรเวีในฐานะนักการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดในขณะนั้นได้รวมศูนย์การโจมตีพรรคการเมืองแนวสังคมนิยมและพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลโดยประกาศนโยบายสังคมนิยมอ่อ น, ออนในขณะนั้นว่าสังคมนิยมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อสร้างเอกภาพทางความคิดให้ฝ่ายขวาจัดรังเกียดแนวคิดทางการเมืองทุกชนิดที่จะมีผลกระทบต่ออำนาจของราชสํานักดังนั้นบุคคลผู้เป็นการแกนนําขวาจัดที่กล่าวถึง ข, ขัานทุกขั้งต้นเหล่านี้ก็ได้แสดงบทบาทเป็นกลุ่มผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่กระทําการเคลื่อนไหวอยู่เหนือกฎหมายมีอาวุธติดตัวคว่างระเบิดยิงปืนใส่กลุ่มนักศึกษามีการลอบฆาตกรรมผู้นําชาวนากรรมกร และผู้นำนักศึก ษ, ษารวมตลอดทั้งฆ่าผู้นําทางการเมืองเช่นการฆ่าด uh ็อกเตอรบุญสนองบุญโยทะยานเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยโดยไม่มีการดําเนินคดีใดๆกับผู้กระทําผิดขายกับเหตุการณ์ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่ดําเนินคดีกับกลุ่มพัธมิตรในขณะนี้รนตลอดทั้งพรกพกิติวุธโธ ท, ที่กล่าวถ้อยคาอย่างผิดเท่าภายในอย่างชัดเจนว่า ค่าคอมมนิสต์ไม่บ่าขายกับค่าปลาทำแกงไปถวายพระขายกับพระโคทิลักษ์แห่งสันติอโซที่เป็นแกนนำขึ้นเวทีปราศาัยการชุมนุมของพันธมิตรก็ไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกดำเนินการทางวินัยสงฆ์และทางกฎหมายการขึ้นไหวของกลุ่มขวาจัดต่างๆเหล่านี้บ่อยครั้งที่องค์สมากระสลงไปร่วม ง, งานด้วยเช่นการไปมอบทง เมื่อเสร็จการอบรมลูกศิย์ชบ้านการไปทําบุญที่วัดจิตภาวันเป็นต้นถ่ายจับที่สมเด็จพระราชินีไปร่วม ง, งานจับพธมิตรโดยไปเป็นประธานเผาศพนางสาวอังคณาหรือน้องโบแล้วในที่สุดก็ถึงเหตุการณ์สําคัญคือการกลับมาของจอมคนถนอมตามคําสัญญาจากราชสํานักโดยจอมพลถนอมได้บวชเป็นเนนเข้ามาในประเทศไทยและหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าราชสํานักมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือพระที่เป็นอุ ป, ปัชญา พระที่เป็นอุปัชาโดยเดินทางไปรับถึงสนามดินดอนเมืองในขณะนั้นสุภยานสังวรจากวัดบวรซึ่งเป็นพระที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอย่างยิ่งในอดีต ก, ก่อนหน้านั้นเป็นพระที่เลี้ยงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลขณะทรงพนวดที่วัดบวรและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519และอีกไม่นานพยานสังวรก็ได้รับสาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช การกลับมาของเนนธนอมและการจัดพิธีกรรมการบวชการบวชพระให้เป็นที่เรียบร้อยได้กลายเป็นชนวนระเบิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งสําคัญที่เป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เลวร้ายที่สุดคือเหตุการณ์สังหารหมู่นิสิตนักศึกษากลางเมืองที่เรียกปากต่อปากว่าเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งน่าเชื่อถือว่าซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการเจรินการสังหารหมู่มากกว่าอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยเหตุผลสาประการคือ หนขณะนั้นสถานการณ์มีความวุ่นวายทางการเมืองจากการประท้วงเรียกร้องทางเศรษฐกิจของกรรมกรและชาวนาเนื่องจากชีวิตที่ทุกยากของพวกเขาท่ามกลารกิ่นไอสองครามประชาชนจากการเคลื่อนไหวปฏิวัติด้วยกำลังอาวุธของพรรคคอมมิวนสิสต์ในชนบทที่ชูธงการปฏิวัติที่ดินโดยจะยึดที่ดินของกษัตริย์และเจ้าที่ดินทั้งหลายมาแบ่งให้แก่ชาวนาผู้ยากไร้ทั้งหมด และสถานการณ์ในเมืองที่มีการปลุกระดมองค์กรมวลชนฝ่ายขวาโดยสร้างกระแสขวาพิ่คาดซ้ายโดยมีสถานีวิทยุยานเกราะโดยพันโทอุทานเนธวงศ์ณิธยาเป็นแกนนำํำสุกใจให้ประชาชนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมรวมพลังออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพุ่เป้าไปที่นิสิตนักศึกษาโดยจ่าวหาวา่าเป็นพวกคอมมิสซและเตรียมการกวาดล้างนิสิตนักศึกษาครั้งใหญ่ ึคล้ายกับเหตุการณ์ปัจจุบันในปี2549ถึง2552ที่สถานีโทรทัศน์ ASTV ทำหน้าที่เหมือนวิทยุยานเกาะและนายสนธิลิ้มทองกุณทำหน้าที่คล้ายกับพันโทอุทานและเกิดการลอบฆาตกรรมผู้นำนักศึกษาเช่นในเดือนกุมภาพันธ์2 5 1 9เกิดการลอบสังหารนายกรีดีจินดานนและนายอมรเลศ ชัยสะอาดผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล28กุมภาพันธ์2519รอบสังหารในบุญสนองบุญยศบุญโยทยานในขาที่การพักสังคมนิยมและเกิดการคว้างระเบิดเข้าไปในกลุ่มในการทุ่มนมขับไล่ฐานทัพอเมริกาหน้าลงหนังสยามเมื่อ21มีนาคม2519มีคนเสียชีวิต4คนเป็นต้น2 หลังจากถูกขับออกนอกประเทศเมื่อ14ตุลาคม2516แล้วการกลับมาของจอมพลถนอมเป็นความพยายามที่จะแสดงออกมาหลายครั้งและทุกครั้งที่เหยียบแผ่นดินแม็กนิสิตนักศึกษาก็จะประท้วงรุนแรงทุกครั้งโดยเก็บแขนที่รัฐบาลถนอมประพาทสั่งค่านักศึกษาประชาชนเมื่อเหตุการณ์นองเลือด14ตุลาคมและรัฐบาลประชาธิปัตย์ในขณะนั้นไม่ยอมดำเนินคดีกับฆาตรกร ดังนั้นการกลับมาครั้งล่าสุดด้วยการบวชเนนและบวชพระโดยพญาณสังวรสังฆราชองค์ปัจจุบันภูไก่์ชิดพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดาเนินการจึงเป็นการสร้างความทอบทรรมเชิงสั ญ, ญ ล, ลักษณ์เวราชะํานักได้เห็นชอบแล้วและเพื่อเรียกร้องความเห็นใจว่าสังคมควรยินยอมเพราะจอมพลถนอมยอมแล้วด้วยการห่มผ้าเหลืองเพื่อชี้ให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาเป็นฝ่ายที่ไม่มีศาสนาและต่อต้านสาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึงพวกคอมมินิต์ตามที่รัฐเผด็จการในขณนะนั้นได้สร้างภาพไว้สามรู้ทั้งรู้ว่าเมื่อจอมพลถนอมกลับมาต้องเกิดเรื่องแน่แต่ราชาสํานักก็ยังยอมเพราะหากไม่ยอมถนอมก็จะกลับเข้ามาไม่ได้จึงเป็นเรื่องเจตนาที่ประสงค์ตอ บ, ตอบผลเปรียบเทียบกับปัจจุบนันนี้เมื่อราชาสํานักไม่ยินยอมทักษิณก็กลับเข้าประเทศไม่ได้แล้วทุกอย่าง ก็เป็นไปตามความคาดหมายเมื่อนิสิตนักศึกษารวมตัวประท้วงใหญ่ที่มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งเกิดจุดประทุจุดประทุที่อยู่ระหว่างการชุมนุมก็มีภาพการเล่นละครในมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ที่แสดงภาพเรียนแบบการแขกแขวนคอกรรมกรสองคนที่รวมการประท้วงกับไล่การกลับมาของจําพนถนอมที่นคปรปฐมแต่งหน้าแต่งตัวคนหนึ่งกับกลายไปมีหน้าคล้ายพระพัก ข, ของ เจ้าฟ้าชายโดยหนังสือดาวสยามซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวขวาจัดในขณะนั้นเป็นผู้ตีพิมพ์เป็นฉบับแรกและในภาวะชุลมุนนั้นความเข้าใจผิดความเปลียดชังก็ขยายตัวที่จะที่ยากจะควบคุมแล้วก็เกิดเงื่อนไขาการสูญโอกาสของกลุ่มการเมืองขวาจัดกลุ่มต่างๆที่สร้างเครือข่ายไว้แต่เดิมแล้วก็ได้จุดกระแสร่วมมือกันโดยสร้างเอกภาพทางความคิดผ่านศูนย์กลางที่สถานวีวิทยุยานกอก โดยปลุกระดมให้องค์กรขวาจัดและมวลชนลูกเสือชาวบ้านออกมาปกป้องราชบาลังโดยล้อมปราบเข็นท่านักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศ า, ศาสตร์อย่างบ้าคลั่งและในขณะเดียวกันนายสมัครสุนทรเวทก็ป่าวประกาศว่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอุโมงค์สะสมอาวุธและมีพวกเวียดนามร่วมประชุมประท้วงด้วยและนอกจากกล่าวหานักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนายปุวยอึ่งฮากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอธิการบดีมหาลัยต่อจากนายสัญญาธรรมศัสตร์ซึ่งได้รับโปวตก็เป็นนายกบัญชีกรหลังเหตุการณ์14ตุลา2516ซึ่งเคยเป็นอดีตไซร่ไทยและเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกันเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เชื่อว่าเป็นการทํางานของเครือข่ายราชสํานักทั้งสิ้นถ้าเหตุการณ์ฆาตกรรมการสนามหลวงด้วยการจับนักศึกษาแขวนคอ จับเผาทั้งเป็นด้วยยางยางรถยนต์นักศึกษาถูกยิงถูกแทงอย่างสยดสยองนักศึกษาหญิงที่เสียชีวิตถูกเอาไม้ตําที่ช่องคลอดดูน่า อ, น, อนาถอนาถโดยฝูงชนฝ่ายขวาเชื่อว่าเป็นการกระทําเพื่อรักษาราชบัลลังก์เมื่อ6ตุลาคม19ได้กลายเป็นภาคเลือดทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลบเลือนได้ในตอนค่ำของวันที่6ตุลาคม2519ก็เกิดการยึดอํานาจล้มรัฐบานลนโยบายสังคมนิยมอ่อ น, อน ของพรรคประชาธิปัตย์และกวาดล้างพรรคการเมืองแนวคิดสังคมนิยมทั้งหมดโดยมีคนเรือเอกสงัดชลอยอยู่เป็นผู้นําการยึดอํานาจและมีคนเอกเกรียงศักดิ์ชมานันเป็นเลขาธิการของคณะผู้ยึดอํานาจในนามคณะปฏิรูป ก, การปกครองแผ่นดินโดยการเห็นชอบอย่างวางเฉยทางการเมืองจากกษัตริย์ภูมิพลเช่นเคยแต่ก็ปรากฏว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดราชสำนักคือนายธานินทร์ไกรเชียน ได้รับโหดตก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นองคมนตรีและในวันรุ่งขึ้นราชสำนักก็ส่งพระบรมวงศานุวงศ์งไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่และพวกลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาเดเจ็บจากการไปล้อมปราบทำรายนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่บาเดเจ็บล้มตายไม่เสี่ยงแต่ไม่ได้รับาการเหลียวแลเลยแล้วยังไม่มีการดําเนินการใดๆกับฆาตกรที่เห็นฆ่านิสิตนักศึกษาประชาชนอีกด้วย การขึ้นดำรงตำแหน่งนายกพลเมือรสีของนายทานินไกลยิเชียนนั้นนายบุญชนะอัากรนักการเมืองอาวุโสในยุคนั้นได้ยืนยันว่าเป็นการชี้แนะมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหตุการณ์โหดร้ายในวันที่6ตุลาคม2519พร้อมกับการล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เซีกราโมทและการเกิดรัฐบาลนายทานินไกรยิเชียนประเภทม้วนเดียวจบเช่นนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการกระทําของเครือข่ายรัฐสํานักอย่างแน่นอนรูปธรรมการกาจัดอาํานาจรัฐบาลคนเอกเปลียงศักดิ์เมื่อรัฐบาลนายธานีมกิวิเชียนได้รับการแต่งตั้งแล้วก็รับสนองแนวคิดของรัชสํานักอย่างชัดเจนโดยการกวาดล้างแนวคิดสังคมนิยมทั้งหมดตามคํากล่าวของฝ่ายขวาที่ว่าสังคมนิยมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งเส้นโดยออกกวาด จับนักศึกษาประชาชนทุกคนโดยเข้าตรวจค้นทุกบ้านที่มีหนังสือแนวคิดสังพมนิยมซึ่งขณะนั้นมีวางขายเกลื่อนตลาดทั่วไปเป็นผลทําให้เกิดความหวาดกลัวประเทศไทยกลายเป็นอาณาจาักรแห่งความหวาดกลัวโดยนายยงมนตรีธานินไกรวิเชียนไม่แสดงความสะทกสะท้ทะทานแต่อย่างใดต่อส า, สายตาชาวโลกเลยแถมยังประกาศด้วยว่าจะใช้เวลาคลองอํานาจ12ปีเพื่ออบรมให้เยาวชนมีความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเยาวาชนจะต้องรู้จักหน้าที่และรักษาชาติศาสนาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างประชาธิปไตยใหม่ในแนวทางของเขาซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการรับแนวคิดมาจากราชสำนักและจากนาโยบายขวาจัดหลักปรปาม น, นักศึกษาประชาชนที่มีแนวคิดต่างจากรัฐบาลเช่นนี้ทําให้มีผู้คนหวาดกลัวหนีตายไปเข้าร่วมกับกองกําลังของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าเขาที่มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยเต็มไปหมด ในขณะนั้นทําให้กองทัพที่ติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเติบใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อรัฐบาลของนายทานินได้แสดงฤทธิ์เดชไปสักระยะหนึ่งประมาณสิบสองเดือนเท่านั้นก็มีนายทหารกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของรัฐบาล น, นายทานินนําโดยพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่หัวหน้าคณะปฏิรูปเจ้าเก่าและพลเอกเกรงศักดิ์ชมาลันผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นเลขาธิการคณะผู้ยึดอํานาจอยู่เดิมโดยร่วม ร่วมกับกลุ่มนายทหารยังเติร์กซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการคุมกำลังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจมทหารรุ่นเจ็ดเป็นฐานกำลังที่แก่คนเอกเรียงศักดิ์ก็เข้ายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งโดยล้มรัฐบาลนายธานิงไกรวิเชียนเมื่อ20ตุลาคม2520โดยให้เหตุผล ว, ว่านโยบายพัฒน า, าประชาธิปไตยสุดสองปีนั้นเป็นเวลาที่นานเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนคณะทหารตำรวจและพละเรือน เห็นสมควรให้ปรับปรุงระยะเวลาที่จะพัฒนาประชาธิปไตยเสียใหม่คือกำหนดเป้าหมายให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2521การกระทำของคณะทาาหารที่ล้มแผนการวางรากฐานประชาธิปไตยที่ให้เยาวชนเกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามแนวทางของราชสมนักนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจของราชสมนักกล่าวคือทันทีที่ไายทันทีที่นายทานิน หลุดจากนายกมนตรีด้วยการยึดอํานาจนี้กรัฐภูมิพลก็แต่งตั้งให้นายทานินขึ้นเป็นองค ม, มนตรีนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลพลเอกเปียงศักดิ์ได้ขึ้นเป็นนายกมนตรีจากการเลือกของนของสภานายนโยบายที่พลเอกเปียงศักดิ์แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520จึงต้องใช้เวลาหลังการยึดอํานาจถึง21วัน ทำให้เป็นที่น่าสังเกตม า, มากกว่าเดิมากกว่ามากกว่าเกิดการต่อรองกันภายในขอโทษนะคะทําให้เป็นที่น่าสังเกตมากว่าเกิดการต่อรองกันภายในอันเป็นผลมาจากความไม่พอใจของราชสํานักและเมื่อขึ้นบริหารพลเอกเกรียงศักด์ได้หักล้างแนวคิดของราชสํานักทั้งหมดด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลีคอมมิวนิสต์ที่รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกเล็บนปูทางไว้ก่อนหน้านี้ โดยต้อนรับ ก, การมาเยือนของรองนายกตั้งเตี่ยวผิงเมื่อ5พฤศจิกายน2521และเปิดสัมพันธ์ทางการพูดกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยเชิญนายกมนตรีความวันจงซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ตัวฉกาจในสายตาราชสมา น, นักมาเยี่ยมเมืองไทยเมื่อ6กันยายน2521พร้อมทั้งออกประกาศนิรโทษกรรมให้แก่นิสิตนักศึกษาที่หนีเข้าไปร่วมปฏิวัติกับพรรคคอมมิวนิสต์แ่งประเทศไทย เมื่อ16กันยายน2521และให้มีโครงการคืนสู่เย้าหรือกลับคืนสู่ห้องเรียนก็ได้มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งกลับคืนสู่เมืองโดยกลับมาเรียนหนังสือต่อในหมหาวิทยาลัยโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ไปจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้นํา น, นักศึกษาชุดแรกโดยถ่ายภาพร่วมกันตีทีมในหน้าหนังสือทิมจบทุกฉบับจากนโยบายที่กลับหลังหันของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนานนี้ ดูจับไม่ได้รับความพึงพอใจจากราชสำนักอย่างมากและแล้วเครือข่ายราชสำนักก็เริ่มทํางานอีกโดยเกิดกระแสข่าวลือทั่วไปว่าพนเอกเกรียงศักดิ์ไม่เคารพในหลวงพนเอกเกรียงศักดิ์ชอบเมาเหล้าเข้าเฝ้าในหลวงเนื่องจากพนเอกเกรียงศักดิ์เป็นคนชอบดื่มเบอร์รีเป็นชีวิตจิตใจและชอบทํากับข้าวและบ่อยครั้งสื่อมวลชนก็จะลงภาพการทํากับข้าวที่พนเอกเกรียงศักดิ์ เวลาออกหาเสียงทางการเมืองโดยแสดงฝีมือทํากับข้าวเลี้ยงประชาชนและเลี้ยงแขกทั่วไปโดยภาพการเทบรันดีลงในกระทะขณะกําลังปรุงอาหารกับข้าวที่ขึ้นชื่อของคนเอกเรียงฝักตุ๊กแกงเขียหวานใส่บรั่นดีและในวันที่ห้าธันวาคมอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นวันสําคัญที่นายกบันตรีทุกคนจะต้องเป็นผู้นําถวายพระพรที่มหากษัตริย์ที่การท้องสนามหลวง ปรากฏว่าพลเอกเกียงศักดิ์ก็นำถวายพระพรแตกต่างจากอดีตนายกทุกคนสุดจะถือแก้วบรันดีดื่มถวายพระพรดังนั้นข่าวลือจากเครือข่ายราชสำนักที่ว่าพลเอกเกียงศักดไม่เคารพในหลวงชอบเมาเหล้าเข้าเฝ้าก็เป็นเรื่องจริงจังมีเหตุผลในที่สุดจุดจบของพลเอกเกียงศัก์ก็มาถึงในลักษณะที่ทุกรัฐบาลจะต้องพบก็คือข้อ จ, จํากัดของทุกรัฐบาลในการบริหารประเทศ คือปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแต่หากราชสำนักยังห ล, ลุนหลังอยู่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีนี้ดูเหมือนว่าราชสำนักไม่เป็นที่พึงพอใจเสียแล้วในที่สุดรัฐบาลคนเอกเกรงตักก็เดินเข้ากับดักของวิกฤตเศรษฐกษิจโดยรัฐบาลได้อนุมัตให้ขึ้นราคาน้ํามันในขณะนั้นรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมราคาน้ํามันราคาไม่ได้ลอยตัวอย่างเช่นปัจจุบันทําให้ข้าของขึ้นราคาและลนในขึ้นราคาตัว๋วอีกห้าสิบตาราง จึงเกิดกา ร, ก ด, ก, ารกดดันนอกสภาโดยเกิดการเดินขบวนประท้วงขึ้นข่ารถเมโดยกานําของนายไพศาลพวัชชัยนันผู้นําสาภาพแรงงานกนภารไฟฟ้านครหลวงจากสนามหลวงไปยังสภาผู้แทนราษฎรประสานกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนําเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและในที่และที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มฐานยางเต๊้งที่เคยเป็นฐานกําลังให้แก่พลเอกเกลงศักด์ก็ได้แปรพรรคมาหนุนพลเอกเปลงจินตุรนนท์ และนายทหารที่ใกล้ชิดกับรัชสมนักซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยจากแรงกดดันกดดันสามประสานก็เป็นสัญญาณที่ทำให้พลเอกเียงศักดิ์รู้ชะตากรรมของตนดีจึงประกาศลาออกกลางสภาเมื่อ29กุมภาพันธ์2523เปิดทางให้แก่พลเอกเปรมก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16โดยมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานการเมือง ตั้งแต่วันที่3มีนาคม2533และความผูกพันระหว่างคนเอกเฟรมกับประชาธิปัตย์ยังแนบแน่นมานักแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องน่าอายของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พิกลพิการอีกเรื่องหนึ่งคือนายกของไทยต้องหลุดจากตำแหน่งเพราะตัวรถเมย์ขึ้นราคา50ตาลังอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้ร่มพระวารมี รูปธรรมการกำจัดอำนาจรัฐบาลพลเอกเปรมรัฐบาลพลเอกเปรมจรินสุรนนท์เป็นอีกประจักษ์พยานหนึ่งว่าแม้จะมีความใกล้ชิดราชสำนักอย่างไรก็ตามหากนายกผู้นั้นมีความมั่นคงแนวหน้าของรัฐบาลและได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนมากก็จะต้องมีอันเป็นไปด้วยข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดีด้วยผลงานแห่งเครือข่ายราชสำนักทุกท้งไปในช่วงแรกของรัฐบาลพลเอกเปรม ได้แสดงบทบาทที่ราชสำนักชื่นชมคือ ก, การดับไฟสงครามคอมมิวนิสต์ที่เป็นอันตรายกับวังด้วยนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดใหม่ได้ประสบผลสำเร็จโดยมีนายทหารผู้ใจคือพลเอกชาวลิตยงใจยุทธเป็นแกนนำหรือใช้นโยบายการเมืองนำการทหารหรือที่เรียกสั้นๆว่านโยบาย66ทับ23แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วน่าจะเป็นความโชคดีของพลเอกเฟร มากกว่าความมีฝีมือในการปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สําเร็จตามนโยบาย66ทับ23เพราะขณะนั้นเกิดความแตกแยกภายในโลกคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงโดยพลเอกเปรมได้ช่วยโอกาสเปิดให้ชาวพรรคคอมมิวนิสต์ไทยในป่าที่อ่อนล้าทางอุดมการณ์เข้ามอบตัวในฐานะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแต่นโยบายต่อคอมมิวนิสต์ต่างประเทศรัฐบาลพลเอกเปรมยังแข็งก้าวจากพื้นฐานความเชื่อ เดิมว่าเวียดนามคือศัตรูสําคัญที่จะลุกรานไทยตามทฤษฎีดอมิโนโอของสหรัฐอเมริกาที่ว่าเมื่อไทยเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนแปลงเป็นคอมมิวนิสต์หมดโดยเหตุนี้รัฐบาลพนเอเปรมจึงกลับหลังหันต่างจากรัฐบาลพนเอกเกลียงศักดิ์โดยเส้นเชิงโดยรับใช้แนวคิดของราชสำนักอย่างเต็มที่กล่าวคือเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนแตกกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งความซึ่งมีความใกล้เคียกับคอมมิวนิสต์รัสเซีย และกองทัพเวียดนามได้บุกเข้าไปล้มรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาซึ่งมีความใกล้ชิดกับจีนเมื่อมกราคม2522ทําให้จีนไม่พอใจจีนจึงทําสงครามสั่งสอนเวียดนามโดยยกกําลังทหารบุกข้ามพรมแดนเวียดนามตอนเหนือเข้ามาทําลายฐานกําลังเวียดนามเหนือสมใจแล้วก็ยกกําลังกะ ซึ่งทำความเสียหายให้แก่เวียดนามมากซึงก็เป็นที่พอใจของไทยโดยเกลงว่ากองทัพเวียดนามจะลุกคลืบเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยจึงจับมือทอดสะพานกับฝ่ายจีนที่หันมา ก, กระชับความสัมพันธ์กับสารัฐอเมริกาโดยเปิดทางให้จีนขนอาวุธเข้ามาไทยเพื่อสนับสนุนเขมรแดงภายใต้การนาของพรพศที่ทาสงครามต่อต้านเวียดนาม มีฐานที่มั่นอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อการกองกําลังเวียดนามที่เชื่อว่าจะบุกเข้ามาประเทศไทยในขณะนั้นเป็นผลให้ประเทศไทยกับเวียดนามเผชิญหน้าเป็นศัตรูกันเมื่อฝลเอกเฟรมบริหารประเทศไปได้สักระยะหนึ่งก็เกิดข้อจํากัดอันเป็นปกติของรัฐบาลในประเทศต้ยพัฒนาจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตภายในกลุ่มทหารโดยเฉพาะทหารยางเติรที่เป็นฐานอักําลังให้แก่คนเอกเฟลม แต่เกิดความไม่พอใจในการแบ่งผลประโยชน์โดยมีคนมีโดยมีพันเอกมนูลลูกผจรพันเอกประจร 1, 8, รักษ์สว่างจิตและพันเอกพันลบเป็นมณีเป็นแกนนําทําให้กลุ่มยังเติร์แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีพันเอกพันลบเป็นมณีพันเอกมนูลลูกผจรและพันเอกประจักษ์สว่างจิตเป็นแกนนำและอีกฝ่ายหนึ่งยังสวามีภักดับคนเอกเกรมอยู่โดยมีพลตรีจําลองสีเมืองเป็นแกนนําแต่เป็นกลุ่มข้างน้อย จึงเกิดการรัฐประหารโดยทหารยังเติร์ดลูกขวาหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จถึงขนาดเกิดการลอบสังหารพลเอกเปรมที่ลบบุรีและมีเหตุการณ์เจมการลอบลงพระชนสมเด็จพระนางเจ้าโดยเป็นคดีออกหมายจาับทันเอกบรรัรนูลลูกขจรในขณะนั้นด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่กระหน่ำรัฐบาลพลเอกเปรมอย่างรุนแรงที่สุดหรือวิวกฤตไม่เกิดค่าเงินบาทที่ทาให้รัฐบาลพลเอกเปรมต้องประกาศลดค่าเงินบาทจากยี่ิบามบาทตอ่อหนึ่งดอลลาร์ มาเป็นยี่สิบเจ็ดบาทต่อหนึ่งดอลลาร์เมื่อเมื่อห้าพฤศจิกายนสองพัห้ารอยี่สิบเจ็ดและเปลี่ยนระบบค่าเงินจากเดิมไทยใช้ระบบอิงค่าเงินดอลลาร์เป็นหลักมาเป็นระบบตะก้าเงินโดยอิงเงินจากหลายสกุลแม้แต่รัฐบาลคนเอกเฟรมจะพบกับมลสมอย่างไรแม้ในสภา ก, ก็ปันปวนถูกใส่ข้าศ์ผีป่ากกล้าอย่างนาสมัค ร, รศุนทรลเวทและร้อยตำรวจเ อ, เอกเฉลิมอยู่บํารุงโจงตีอย่างหนักทนเอกเฟรม ก็ยังประคับประคองตัวอยู่รอดปลอดภัยพบพลเอกเปรมรับใช้ใกล้ชิดราชธรนักในระหว่างนั้นก็เกิดขึ้นลมในสภามีการยุบสภาหลายครั้งแต่รัฐบาลพลเอกเปรมก็ประคองตัวไปได้ทําให้บา ร, รมีของนายกพลเอกเปรมขยายตัวไปทั่วทั้งแผ่นดินจนดูเหมือนว่าจะเป็นนายกตลอดการเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีผู้คนออกมาต้อนรับแห่แหนแน่นไปหมด พร้อมกับชูป้ายข้อความที่สร้างความพอใจให้แก่คนเอกเตรมแต่อาจจะกระเทือนในใจราชสำนักว่าน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของเกรมการโฆษณาความโดดเด่นในภาพลักษณ์ของคนเอกเกรมทั้งหมดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นฝีมือของตลาด ก, กระทรวงมหาไทยคู่ใจสืนายพิสารมูลศาสาธ ร, ารและสุดท้ายเหตุการณ์ที่กระทบจุดอ่อนของราชสานักก็เกิดขึ้น คือที่ภาคอีสานมีประเพณีว่าเมื่อผู้มีอำนาจวาสนาไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านถือว่าช้างเหยียดนาพญาเหยียดเมืองจะนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นตนทุกคนก็จะเอาผ้าขาวม้ามาผูกมัดสะเอวเป็นการต้อนรับแต่กรณีของคนเอกเฟรมนั้นแขกใครก็เอาผ้าเขาม้ามามัดจนล้นถึงคอแล้วในที่สุดก็มีชาวบ้านเอาผ้ามาปูให้คนเอกเฟรมเหยียบเพื่อ น, นำไปการาบบูชาใครกับที่ประชาชนกระทำต่อพระมหากษัตริย์ โดยพาจี้ี้จุดอ่อนของรัชสนักนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลคลเน็กเกรมอีกทั้งรัฐบาลก็สืบทอดอำนาจติดต่อกันมายาวนานถึงแปดปีความวิตกกังวลของพอเน็กเติ้มจะกลายเป็นขุนศึกผู้มากบารมีและเป็นอันตรายกับรัชสภนักก็เกิดขึ้นดังนั้นจากการครองอำนาจยาวนานและรูปประทานการเหยียบข้าเขามาเอาไว้ให้ประชาชนนำไปปลูกนำไปบูชานี้เองจะถ่ายรัชสภานก็เริ่มทำงาน ข่าวลือเริ่มเกิดขึ้นจากปากต่อปากขยายตัวไปทั้งสังคมว่าการกระทำของคนเอกเกลงไม่เหมาะสมโดยมีข้อความติดปากทําลายคนเอกเกลงว่าคนเอกเลกลงกาลังเทียบบา ร, รมีในหลวงตั้งแต่นั้นยุคเสื่อมของคนเอกเกรงก็มาถึงกระแสะความเบื่อนายคนเอกเกรงระบาด ท, ทั่วไปโดยเฉพาะในกรุงเทพจะมีกระแสะสูงเพราะใครชิดข่าวสารมากที่สุด สื่อมวลชนต่างๆก็ทําหน้าที่ของตนเส ม, มือนเป็นเครือข่ายและสํานักชั้นดีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในปีพศ2531พักมวลชนที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิม อ, อยู่บำลุงหาเสียงเลือกตั้งโดยง่ายว่าใครต้องการให้เกรมเป็นนายกให้เลือกประชาธิปัตย์ใครไม่ต้องการให้เกรมเป็นนายกให้เลือกพักมวลชนเพียงแค่คําสั่งง่ายๆของพักมวลชนที่เป็นปฏิบัติกับคนเอกเฟรมมาแต่ต้น ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพโดยเลือกผู้สมัครสสของพรรควลชนเข้าไปในสภาเจินค้ามในกรุงเทพมหานครดูเหมือนพลเอกเกรมจะรู้สัญญาณความไม่พอใจของราชสํานักเพราะหลังการเลือกตั้งแล้วแม้เสียงสนับสนุนของพลเอกเฟรมจาก พ, กพรกรคปร ะ, ะชาธิปัตย์ภายใต้การนําของนองายพิชัยรัศกุ ล, ลพักชาติไทยภายใต้การนําของพลเอกชาติชายชุนทวันและพักกิจสังคมภายใต้การนําของพลอากาศเอกสิทธสวัฒน์ศิลา รวมกันแล้วยังเป็นเสียงข้างมากสนับสนุนพลเอกเปรมให้เป็นนายกมนตรีต่อไปแต่พลเอกเปรมก็ตัดสินใจประกาศไม่รับตาแหน่งในวันที่27กระกฎาคม2531และถองถ่ายให้พลเอกชาติชายชุนวันขึ้นเป็นนายกมนตรีคนที่17ต่อไปการลงจากเวทีนายกของพลเอกเปรมยังไม่ได้รับการตอบสนองจากวางทันทีพลเอกเปรมต้องรออีกระยะเวลาหนึ่งเสมือนรอตรวจสอบความจงรักภักดี แล้วก็ได้รับโกรเก้าวให้เป็นองคมนตรีต่อมารูปธรรมการจำจัดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายการขึ้นดำลงตำแหน่งนายกมนตรีของพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นความลงตัวของบุคคลสองคนที่เห็นร่วมกันต้องกล่าวไว้ในที่นี้คือพลเอกเกรงจินทรสุรนนท์กับพลเอกาวลิมวงจัยยุทธ์เปผู้บัญชาการหารบกในขณะนั้น โดยเพราะท่าชีที่หน่อมแนมของคนเอกชาตชายเมื่อคนเอกเกรมตัดสินใจลงตำแหน่งลงจากตำแหน่งด้วยรู้สัญญาณจากราชสำนักก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องเลือกบุคคลที่จะขึ้นดำลงตำแหน่งนายกมนตรีแทนตนซึ่งขาะนั้นตามรัฐธรรมนูญนายกจะเป็นใครมาจากไหนก็เป็นนายกได้ทั้งนั้นดังตัวอย่าง8ปีที่ผ่านมาคนเอกเรมไม่มีเสียงในสภาเลยก็ยังได้เป็นเพราะเสียงชี้ขาด ที่จะหนุนให้ใครเป็นนายกนั้นคือราชสํานักและปืนของทหารดังนั้นเมื่อภาพที่เปิดเผยคือทหารหนุนใครพักการเมืองก็จะเฮลโลมนหนุนคนนั้นเพื่อจะได้กระโดดขึ้นรถไปกับรัฐมนตรีเพื่อจะได้กระโดดขึ้นรถไปเป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยดังนั้นการตัดสินใจขอ ง, องพลเอกเกร่งที่จะหนุนพลเอกชาติชาขึ้นเป็นในายกมนตรีจึงเป็นความซับซ้อนที่ควรจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ณที่นี้ คนเอกชาติชายได้เล่าในโอกาสสวนเสฮเฮฮากับพรรคพวกและสะสะลูกพรรคบ่อยครั้งยังเปิดเผยถึงการตัดสินใจของคนเอกเฟรมหลังจากที่ดำรงตาแหน่งนายกโดยคนใกล้ชิดคนเอกชาติชายได้ถ่ายทอดข้อมูลให้ฟังว่าคนเอกเฟรมนั้นตัดสินใจว่าจะลงตาแหน่งการ่าจะลงจากตาแหน่งนายกก่อนแล้วและจะหาคนมาเป็นนายกแทนตนดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ได้ถามคนอากาศเอกสิทธิเวชยาในฐานะคนอ่ะ คนนักพักกิจสังคมก่อนว่าหากคนเอกเฟรมไม่รับตําแหน่งนายกมนตรีคนเอกศิษฐ์จะเป็นนายกแทนได้ไหมคนเอกศิษฐ์ก็ตอบว่าเป็นได้ครับไม่มีปัญหาและพร้อมจะเป็นต่อมาหลังจากนั้นวันหนึ่งขณะคนเอกชาติชายไปตีกอร่วมกวนกับคลเอกเฟรมคลเอกชาติชายก็ได้รับคําถามในคานองเดียวกันว่าคนเอกเฟรมพูดว่าท่านผู้การหากผมไม่รับตําแหน่งนายกท่านผู้การจะรับเป็นนายกแทนได้ไหม คเอกชันไทยสอบว่าโอ้ไม่ได้หรอกครับแค่คิดผมก็ผิดแล้วผมมันเพย์บอยเป็นนายกไม่ได้หรอท่านเป็นนายกเหมาะสมแล้วครับปรากฏว่าคนเอกเฟรมกลับมาหนุนผมเป็นนายกเมืองไทยเ้านี่แปลกไหมไอคนที่อยากได้จะไม่ได้ไอคนที่ไม่อยากได้มักจะได้เรื่องเล่าตลกทางการเมืองที่มีนัยสาคัญเรื่องนี้ทุกครั้งที่เล่าจบ จะมีเสียงฮาตามมาตลอดเหตุผลสาคนัญที่คนเอกเฟรมเลือกหนุนคนเอกชาติชายเป็นนายกเพราะดูเป็นคนหน่อมแนมไม่เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งคลเอกเฟรมคิดว่าจะคุมได้โดน ง, ง่ายซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะไม่ชอบเลือกคนที่เก่งทีเก่งกว่าตนมาแทนตําแหน่งตัวเองเพราะจะบทบางรัศมีบารมีของตนระยะที่จะควบคุมต่างการซึ่งในขณะนั้นคนเอกคนอากาศเอกศือจะเป็นคนที่มีความเหมาะสมและพร้อมกว่าคนเอกชาติชายมาก แต่ด้วยท่าทางที่ฉลาดเหมาะสมนี้เองพลเอกเปรมก็ไม่เลือกอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสนับสนุนก็คือพลเอกโชว์ิ์ลงใจยุทธซึ่งวางแผนไว้ลึกๆวางแผนไว้ลึกซึ้งแบบผงแบ่งในสามก๊กโดยหนุนพลเอกชาติชายโดยเหตุผลคล้ายกันกับพลเอกเปรมแต่ลุ่มลึกกว่าเพราะตนเองจะเข้ามาเสียบนายกแทนต่อจากชาติไทยทีโดยพลเอกโชวรทิ์ เ, เห็นว่า คามไม่เอาไหนของคนเอกชาชนานั้นเป็นความเหมาะสมแล้วและประเมินว่ารัฐบาลของคนเอกชาชายจะอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนก็จะพอดีกับเวลาที่คนเอกชาวเลสจะออกจากตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วซึ่งเป็นเวลาที่รัฐบาลคนเอกชาชายก็จะถึงการอวสปรายในเรื่องนี้คนเอกชาชายก็เล่าเบื้องหลังให้หลายคนในวงการนในวงสนทนาฟังด้วยความสนุกสนานเช่นกันว่าไอ้จิ๋วมันกลาวว่ารัฐบาลผมจะอยู่ได้เพียงแค่หกเดือน แล้วมันจะมาเป็นนายกแทนปรากฏว่าพอรัฐบาลผมอยู่ได้ครบหเดือนสถานการณ์บ้านเมืองยิ่งดีรัฐบาลผมยิ่งรอยลำผมก็เลยทำถ้วยกาแฟเป็นที่ระลึกโดยมีคําว่ารอยลำไว้ด้วยแต่ความเห็นร่วมกันของหลายฝ่ายโดยเฉพาะคนเอกเกรมและคนเอกโชลิฟต์ล้วนแต่อ่านหมากการเมืองผิดหมดปรากฏว่าคนเอกชาติชายกลายเป็นมีดคมอยู่ในฝักซึ่งไม่มีใครมองเห็นและวันแรก ที่คนเอกชาติชายรับพระบรมราชอง์การโปรดเก้าให้เป็นนายกมนตรีวันแรกที่คนเอกชาติชายประกาศก็เกิดผลระเคลือนเลื่อนลั่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้คือคําว่าผมจะแปลสนามลบให้เป็นสนามการค้าตลอดระยะเวลาการเป็นนายกมนตรีของคนเอกชาติชายตั้งแต่เก้าแรกก็ได้ปฏิเสธแนวคิดและแนวนโยบายของคนเอกเกรม และปฏิเสธแนวคิดหลักของราชสำนักทั้งหมดเริ่มจากคนเอกชาติชายไม่ให้ความสําคัญกับชุดพระราชทานที่ออกแบบในสมัยของคนเอกเกรมที่คนเอกเฟรมภูมิใจมากโดยตลอดการเป็นนายกคนเอกชาชายใส่สูตรอย่างดีของอิตาลีและเนตใทแบรนด์เนมโดยปฏิเสธชุดพระราชทานโดยเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของคนเอกเกรมจากการเป็นปัตรูกับเวียดนามและประเทศในอินโดจีน โดยหันมาจับมือกันจับมือเพื่อทําการค้าตามนโยบายแปลสนามลบให้เป็นสนามการค้าและผักดานประเทศให้เจริญก้าวหน้าในระบบทุนนิยมซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของราชสำนักโดยประกาศว่ารัฐบว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวที่หของเอเชียหรือในหนึ่งก็คือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เหมือนประเทศเกาหลีใต้หรือไต้หวันหรือที่เรียกกันว่า NIC New Industrial Country โดยฝลักดานที่เกิดการลงทุนจากต่างประเทศขนาดใหญ่โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่ต้องการเปิดแหล่งลงทุนใหม่ในภาคตะวันออกคือการลงทุนอคือการลงทุนสร้างค่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดประตูการส่งออกแผนค่าเรือคองเตยเป็นผลสําเร็จเป็นผลให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกหลายแห่งในเขตจังหวัดชนบุรีระยองจนถึงจันทบุรีและตราดเพื่อรองรับทุนต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เศรษฐกิจไทย เกิดการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วที่ดินราคาแพงขึ้นชาวนาไทยชาวนาชาวไร่ขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรมและเขตใกล้ถนนร่ำรวยกันมหาศาลซึ่งเป็นครั้งแรกที่ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งรัฐบาลพลเอกชาติชายได้ทำการปฏิวัติเงินตราโดยลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศให้การไหลเข้าออกของเงินสะดวกขึ้นอันเป็นผลให้เงินบาท กลายเป็นเงินสกุลสากลจากผลงานที่เกินความคาดหมายของพลเอกเฟรมพลเอกเฉลิมและความตกใจของราชสมนักทําให้ผลงานของรัฐบาลพลเอกชาติชายกลายเป็นความไม่ตกกังวลของทุกฝ่ายโดยเฉพาะราชสมนักมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรงในเรื่องการถือครองที่ดินยิ่งจากผลของการพัฒนาทําให้ชาวนาชาวไร่ขายที่ดินทิ้งถึงทํากินของตนมากขึ้น ยิ่งทำให้ราชสานักไม่พึงพอใจนายสุมเมศตันติเวชกุลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องเขาเพื่อเพื่อเขายุคลาบาทได้ออกมาแสดงความเห็นเบรกแนวทางเศรษฐกิจของคลเอกชาติชายหลายครั้งที่ว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าว่าเป็นคนอยู่ดีๆไม่ชอบชอบเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะแนวทางเสือตัวที่ห้าแห่งเอเชียคือพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่รองมาจากญี่ปุ่นจีน เกาหลีใต้ไต้หวันนั้นเป็นแนวทางที่ขัดกับราชสำนักที่เน้นการผลิตแนวเกษตรกรรมแบบพออยู่พอกินโดยเชื่อว่าการมีชาวนาที่ทําการผลิตขนาดเล็กแบบพออยู่พอกินนั้นจะเป็นฐานความเชื่อมั่นต่อแนวคิดแบบจาลีนิยมที่เชื่อผีสางเทวดาและจะตรงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกรในภาคอุตสาหกรรมเพราะมีตัวอย่างแล้วว่า ในประเทศที่มีการผลิตภาคอุตสาหการรมเป็นหลักนั้นจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีก็เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ไม่มีอำนาจจริงประกอบกับโครงการพัฒนาของรัฐบาลชาติชายเริ่มไม่ให้ความสนใจต่อผลประโยชน์ของราชสำนักจากหลักฐานในหนังสือ The King Never s m i l e บทที่17ได้ให้ข้อมูลว่านักธุรกิจพวกพ้องของชาติของชาติชายอย่างเช่น ประชัยเลี่ยวไพลัสจากกลุ่ม TPI ได้รับอนุญาตให้เฉือนแบ่งชิ้นเนื้อจากเครือซีเมนต์ไทยของสำนักงานทักษสินในตลาดวัสดุก่อสร้างกับอิโตเคมีประชัยซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตเคมีรายแรกของประเทศไม่พอใจที่เครือซีเมนต์ไทยได้เข้ามาทำลายการถูกขาดของเขาไปก่อนหน้านี้ขเขาเคลี้ยกล่อมรัฐบาลชาติชายอนุญาตให้เขาผลิตปูนซีเมนต์ และทำการช่วงชิงลูกค้าของเคอร์อซิเมนอย่างดุเดือดและเขายังได้สิทธิพิเศษเหนือเคอร์อซิเมนในการลงทุนทางฟิโตเคมีลใหม่ๆอีกด้วยในทานองเดียวกันบริษัทอื่นๆก็ได้รับโอกาสที่ดีกว่าเคอร์อซิเมนในการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กและโทรคมนาคมบางครั้งชาติไทยก็ไม่เหลือแลผลประโยชน์ของวงังรัฐบาลของเขาสนับสนุนโครงการขนส่งมวลชนที่เรียกว่าโคฟเวลซึ่งเป็นทางรถไฟ ยกกระดับวิ่งผ่านสวนจีรดากับฐานที่สําคัญๆของพวกเจ้าอันจะเป็นการร่วงล้างความศักดิ์ศิทธิ์วังถือเป็นการลบหลู่และบริหารในระบบราชการก็ปฏิเศษที่จะให้ความร่วมมือกับโค克เวลรัฐบาลชาติชายยังปฏิเสธบทบาทครอบงาเชิงสังคมการเมืองของกองทัพอีกด้วยชาติชายพยายามลดอํานาจของวุฒิสภ า, าที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งยังคงเติมไปด้วยทหารตำรวจ และข้าราชการหัวนูรักแม้ว่าจะไม่สามารถลดจํานวนวุฒิสภาลงได้แต่ชาติชายก็ต้องการให้ประธานรัฐสภามาจากสสไม่ใช่จากวุฒิสภาอย่างที่เป็นอยู่เนื่องจากประธานรัฐสภาเป็นผู้เสนอชื่อนายกแกกษัตริย์บทบาทคัญนี้จึงจะเปลี่ยนจากมือของอํานาจเก่ามายังนการมือที่จะมาจากการเลือกตั้งจากข้อมูลนี้ก็ตอบปัญหาค้างคาใจให้กับคนไทยได้หมดประเทศว่า ทำไมโครงการรถไฟฟ้าโทษนะคะทำไมโครงการรถไฟโฮฟเวลจึงค้างตึงหยุดนิ่งทันทีหลังคลเอกชาติชายถูกยึดอำนาจและค้างคาใจเป็นอนุสาวรีย์นิรนามที่ไม่รู้จะเอาผิดกับใครมาถึงทุกวันนี้และโครงการลงปูนพ t ทของคุณประชัยที่ล้มละลายและมีการปรับปรุงหุ้นใหม่ไม่อากจกลับมาเป็นของคุณประชัยได้อีกต่อไปเพราะอะไร อีกรูปธรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าราชสำนักไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของคนเอกชาติชายก็คือการปรับคอร์รโดยเอาคนอากาศเอกคนอากาศเอกศิษเสวยศิลาที่มีความใกล้ชิดกับราชสำนักออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นราชสำนักจึงได้ส่งสัญญาณความไม่พอใจโดยประกาศตั้งคนเอกเสษย์เป็นองคมนตรีคล้ายกับเหตุการณ์ในสมัยรัฐบาลทักษิณที่นายแพทย์กเกษม ลาออกจากพวกมันโดยว่าการกระทรวงศึกษาและกรณีนายพลากรสุวรรณลัตษ์ถูกย้ายออกจากการเป็นผู้อำนวยการตออบอตอจากภาคใต้ในสมัยนายกทักษิณรัชสํานักก็ตั้งบุคคลทั้งสองนี้เป็นองค ม, มนตรี ท, ทันทีและอีกรูก ป, ประธรรมหนึ่งก็คือการดึงตัวของทันเอกมนูลลูก ป, ประจรกลับเข้ามาประเทศไทยให้มาช่วยราชการของรัฐบาลคลเอกชาติชายโดยเลื่อนยศให้เป็นพลตรี และยุสิเรื่องคดีรอบรงพระชนสมเด็จพระราชินีของพนเอกของพนเอกมนูญให้ด้วยกลุ่มทหารจอปรอรุนที่ห้าเติบโตขึ้นมาเป็นใหญ่พร้อมๆกันกับพร้อมๆกั น, อ, อ, กนอันได้แก่พลอากาศเอ ก, กเษกษตรโรจนนันผู้บัญชาการทหารอากาศคนเอกสุจินดาคาระยูนผู้บัญชาการทหารบกคนเอกชาวกลิ์ลาออกจากพอบทบ ไปร่วมรัฐบาลพลเอกชาติชายตำแหน่งนี้จึงตกแก่พลเอกสุจินดาคารประยูนพลเอกอิสรพงห์หุนอิสะพงศ์หนุนพักดรียาที่เป็นคู่เขยกับพลเอกสุจินดาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือครบสามเหล่าทัพรวมทั้งพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตวลพีท่รักน้องไอจัยนักเลงเจ้าของคำขวันประจําใจไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน เมื่อได้รับสัญญาณจากราชสำนักเช่นนี้และกลุ่มพวกตนในฐานะข้าราชการก็เห็นว่าหากปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวไปมากเช่นนี้ก็จะทําให้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเข้มแข็งมากขึ้นประเทศชาติจะเจริญคนจะฉลาดและในที่สุดโอกาสที่พระราชการทหารจะขึ้นเป็นใหญ่อย่างในอดีตก็จะถึงการอวสานเพราะเมื่อประชาชนฉลาดก็จะกดหัวได้ยาก ท, ทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนเอกโชเิตกับร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บรลลูนซึ่งต่างก็เป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ในรัฐบาลด้วยกันโดยคนเอกโชเลตได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตในรัฐบาลของนายกชาติชายอย่างหนักว่าเป็นบุฟเฟ่ต์แคบิเน็ตร้อยตารวจเอกเฉลิมจึงสอบโต้ไปที่ภรรยาของคนเอกโชเิตว่าเป็นตู้เพชรเคลื่อนที่จึงได้สร้างความโกรธแค้นให้แก่คนเอกโชเิตมาก และลามไปถึงกลุ่มทหารจอปรลอห้าที่ไม่คุณพอใจร้อยตารวจเอกเฉลิมพร้อมกับเครือข่ายและสํานักก็รล้มทํางานโดยเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนอย่างหนักโดยเอาคำกล่าวโจมตีของคนเอกโชลิศไปขยายผลว่าเป็นรัฐบาลที่มีการทุจริตอย่างมากหรือ b ุ f f e ่แคดินเนดังนั้นฝ่ายทหารจึงรวมศูนย์กดดันให้ปลดร้อยตารวจเอกเฉลิมออกจากรัฐมนตรีสํานักนายกมนตรีเพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมทําหน้าที่เป็นโฆษกพิเศษของพลเอกท่าชาย ในการตอบโต้ทหารยังไม่เป็นลดลาวายังไม่ลดลาวาศอกในที่สุดคนเอกชาัดชัยก็ดูเหมือนว่าจะทําตามคําเรียกร้องของฝ่ายทหารเพื่อปลดเงื่อนไขความขัดแย้งโดยจลดคอรมอเอาร้อยตำํำรวจเอกเฉลิมออกจากรัฐมนตรีสํานักนายกมนตรีตามคําเรียกร้องของทหารจริงแต่แต่งตั้งใหม่ให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมดารงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาแทนยิงทําให้ฝ่ายทหารเครียดแค้นเป็นการใหญ่ เหตุการณ์เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นเมื่อคนเอกชนลิตลาออกจากพลรมอของคนเอกชาติชายและดึงนายะสมสุนทรศิลปคนสนิทของคลเอกเฟรมอีกคนหนึ่งมาตั้งพักความหวังใหม่เพื่อเข้าต่อสู้โดยประกาศเดินทางใกล้หมื่นเดินทางไกลหมื่นลี้เพื่อจะกลับเข้ามาเป็นนายกก็เป็นจุดแตกหัตที่ร้อนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคนเอกชาติชายกับคลเอกเฟรมและทหาราขาดพอบ้านแล้ว คอนเน็กชัลลเป็นคนสนิทของคอนเน็กเต็มแต่เป็นตัวเชื่อมต่อกับฝ่ายทหารจปรอห์5ให้แก่รัฐบาลชาติชายในช่วงปลายของรัฐบาลคอนเน็กชาติชายดูเหมือนว่าคนเน็กชาติชายพยายามที่จะเอาใจราชสำนักด้วยการปลับครลอมรในเดือนสิงหาคม2533โดยนำคนของคอน เ, อเน็กเต็มขณะนั้นคอนเน็กเต็มได้รับแต่งตั้งเป็นองค ม, มนตรีแล้วคือนายวีระพงษ์รามังกูลและคนของราชสำนักคือนายอัมมาเลสตีลาอ่อน อดีตผู้บริหารบริษัทเซอร์ซิเมนไทยของราชธรรนักและนายวิศิษฐ์เดชกุณชร์นายตำรวจผู้รับใช้ใกล้ชิดเครื่อนพยศุลบาศด้วยหวังว่าจะลดแรงกดดันจากวังส่วนความขัดแย้งกับฝ่ายทหารนั้นพลเอกชาติชายไม่ใหญ่ดีและไม่เกรงกลัวเลยเพราะพลเอกชาติชายพูดอยู่เสมอว่าเขาเติบโตมาในโรงทหารและล่าสุดยังจะตั้งคนเอกอาทิตย์กำลังเอก ซึ่งมีความขัดแย้งกับจับวารรุ่นห้าอย่างรุนแรงมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมาคุมจับวารห้าด้วยก็นีขค่จะตั้งคนเอกอาทิตย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนี้เองจึงทําให้ จ, บจับวารห้าตัดสินใจช่วยโอกาสที่จะตัวคนเอกท่าชายบนเครื่องบินหนักเดินทางขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวกรุงรัชทิที่เชียงใหม่และประกาศการยึดอํานาจทันทีในวันที่23กุมภาพันธ์2534ด้วยความฉุกละหุก โดยสังเกตการตั้งชื่อคณะยึดอำนาจก็แปลกๆว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติอสชทั้งๆที่ขณะนั้นบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีเศรษฐกิจกําลังจเจริญเติบโ ต, ตดีๆแท้ๆหรือคอเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นว่าการยึดอำนาจดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างฉุกละหุกโดยบังเอิญแต่เหตุใดทําไมหลังการที่อำนาจึงได้รับพระกรมาพิไทยจากพระมหากษัตริย์อันเป็นการยอมรับการยึดอำนาจโดยง่าย ในขณะที่โผล่เด็กเปรมเป็นองคมนตรีอีกทั้งยังอีกทั้ ง, ทงการที่ทำหน้าโดยทําการจับตัวโผลเด็กชาติชายขณะกําลังนั่งเครื่องบินเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวตามหมายกําหนดของราชสำนักถือได้ว่าเป็นการทล้อนอำนาจที่น่าอาั้างเลยทีเดียวซึ่งแทนที่พระเจ้าอยู่หัวจะทรงพิโรธจะกลับทรงพระเศนสํารานดังนั้นหากจะวิเคราะห์จาะลึกจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็จะเห็นว่ามีสัญญาณบ่งบอกว่บ่งบอกมากมาย ว่าลุมทหารน่าจะกระทํำได้ล่าบลื่นซึ่งแตกต่างจากการที่อำนาจครั้งก่อนๆที่ม่กจะมีข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับตัวนายกว่าไม่จงรักภักดีเพราะในกรณีของคนเอกชาติชายนั้นส่วนตัวของคนเอกชาติชายมีแต่ประวัติที่ผูกพันใกล้ชิดกับราชสํานักทั้งในเหตุการณ์6ตุลาคม2519คนเอกชาติชายก็ถือก็ยืนอยู่ฝ่ายราชสํานักและภรรยาของท่านคือ ท, ท่านผู้หญิงบุญเลือนก็มีสระเป็นหลานที่สมสมเด็จย่าเป็นผู้เลี้ยงมา จ, จ, จึงไม่จึงมีจึงไม่มีข่าวลือทางด้านนี้แต่จากความเห็นของพอลฮร์รี่พอลแฮี่ผู้เขียน The King Never s m i l e ในบทที่สุดเจ็ดก็ยืนยันว่ามีการเปิดทางสำหรับการลัทธิพหารจากราชสำนักมาหลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วโดยมีหลักฐานว่าคนเอกชาติชายจิงเคาเฟาพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่ถูกคนเอกสุดจินดาค่มขู่และเป็นการเห็นร่วมกันกับคนเอกเฟรมว่าการลัทธิานเป็นการเลือก ที่วังยอมรับได้ในการเมืองไทยสมัยใหม่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ก็คือการเป็นนายกเป็นมนตรีของประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงสูงมากและไม่อาจจะนำลัดาวาสู่ความมีเสถียรภาพได้ดังตัวอย่างของรัฐบาลพลเอกชาัยชายมีภูมิหลังผูกพันลึกซึ้งอยู่กับวังแท้ อีกทั้งได้บริหารประเทศจนนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ต้องพบกับข้อจงกัดความขัดแย้งอันไม่อาจประคองตัวอยู่ได้และเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันรัฐบาลคนเอกทัาชายก็ถึงการอภิปารด้วยการยึดอำนาจของจกร .5 ในนามรสชเมื่อ23กุมภาพันธ์2534 รูปธรรมการกำจัดอำ น, นาจรัฐบาลคนเอกสุจินดาเมื่อคนเอกสุจินดาคราประยูนทำการยึดอำนาจเป็นผลสำเร็จแล้วก็ได้กระทําการเสมือนหนึ่งเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระราชกมันักโดยแต่งตั้งให้คนเรือคนคละเลือนที่เป็นที่โปรดปรานคื อ, น, อานายอนันต์ปัญญาลชุนเป็นนายกรัฐ ม, มนตรีและจากหลักฐานที่น่าเชื่อว่าน า, นายอนันต์เป็นที่โปรดปรานโดยแท้จริงกว่าจากกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี2535 น า, นายอนันต์ก็ได้รับโหวตก้าวให้เป็นนายกมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยความฉุนง ง, ง, ง, งที่รถยนต์ของดรอทิตย์อุยลัตประธานสภ า, ภาผู้แทนราษฎรวิ่งผ่านบ้านของพลอกาศเอกสมบูรณ์ละหงซึ่งเป็นผู้กลุ่มเสียงสนับสนุนของสสข้างมากในสภาและเป็นที่คาดหมายว่าจะต้องได้เป็นนายกมนตรีอย่างแน่นอนโดยรถยนต์วิ่งโดยรถยนต์วิ่งผ่านนําพระบรมราช อ, องค์กลางไปยังบ้านนายอา น, านันต์ฟันยาละชนแทน ในระยะเวลาหนึ่งปีในปี2534ที่ น, นายอนันต์เข้ามาบริหารประเทศเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งไม่มีโอกาสที่จะสืบทอดอำนาจได้เลยจึงเป็นรัฐบาลที่ปลอดภัยจากโลกแทรกแต่ น, นายอนันต์ก็รักษาความสัมพันธ์กับคณะทหารรสะช อ, อย่างดียิ่งโดยการตามใจคณะรสะชในการจัดตั้งลบประมาณพื้นอาวุธให้เพื่อให้ทหารหารเงินในการสืบตออหนาทางการเมืองในนามพรรคสามัคคีธรรม และอนุมัติโครงการทหารเสือประ ช, า, รระชาธิปไตยโดยให้ทหารและตำรวจจับหน่วยผสมหน่วยละสามคนไปประจําทุกหมู่บ้านในประเทศไทยโดยเหตุผลว่าเป็นการเผยแพร่ความคิดประชาธิปไตยแต่แท้จริงแล้วเป็นการวางฐานใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหัวคะแนนให้พรรคสามัคคีทำโดยใช้เงินหลวงเพื่อทําการควบคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้คุมเสียงประชาชนตัวจริงทั้งหมดให้สนับสนุนพรรคทหารของรัชชช ที่ใช้ชื่อว่าพรรคสามาัคคีธรรมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่นายอ น, นันต์บริหารประเทศชาติคนเอกสุจินดาได้สแสดงบทบาทที่ดูจะไม่แน่เนียนนักว่าตนเองนั้นไม่มักใหญ่สู ง, สงโดยปฏิเสธชัดเจนว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบของรัฐสํานักเพราะรัฐสํานักนั้นจะคอยระมัดระวังตลอดเวลาไม่ให้มีกลุ่มการเมืองใด พัฒนาจนเข้มแข็งอันจะเป็นปฏิบัติต่อวังได้โดยเฉพาะการรวมตัวของกลุ่มทหารที่เข้มแข็งก็จะยิ่งเป็นอันตรายต่อวางมากดังเช่นในอดีตสมัยจอมพลปและจอมพลถนอมอีกทั้งการที่คณะรัศดประกาศยึดซัและคนตรีทุกคนในคณะของคนเอกท่าทายก็เป็นประโยชน์ต่อวงังและเป็นสูตรสําเร็จในทุกสมัยเพื่อทําลายฐานทางการเมืองของกลุ่มการเมืองและยิ่งกลุ่มการเมืองพเลเรือนพันพันทลาย การสร้างฐานอำนาจการเมืองในระบบพรรคการเมืองก็จะทิ้งห่างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันท ห, หารซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในการทําลายกลุ่มอํานาจของพลเรือนเพราะว่ากลุ่มนักการเมืองขายใหญ่จะรวมตัวกันใหม่อีกทีก็ต้องใช้เวลาอีกงานวิธีการนี้ถูกใช้อีกครั้งในการยึดอานาจของคณะคอมชเพื่อ19บันยายน2549และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมืใช้ผู้พิพากษ์สารแลธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการตัดสินยุคพรรค และตัดสินกรรมาการบริหาร พ, พักทั้งทั้งหมดห้าปีเสริมเข้าไปอีกซึ่งเป็นผลให้ตระกูลการเมืองที่มีบา ร, รมีในต่างจังหวัดจํานวนมากต้องสะดุดหัวขมังทางการเมืองไปตามๆกันแม้การแสดงตัวของคณะรัชจะเอาอกเอาใจรัชสภานักอย่างไรก็ไม่สามารถจะทําได้โดยทําโดยตรงได้เพราะสถานการณ์ในขณะนั้นจนถึงปัจจุบันอยู่ในยุคผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วคือพลเอกปรม ที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากราชสำนักโดยประวัติการทํางานรับใช้ราชสำนักที่ผ่านมายาวนานประกอบกับเป็นโสดไม่มีชายาดและอายุมากแล้วดูจะปลอดภัยต่อราชสำนักมากที่สุดดังนั้นทุกอย่างของคณะรศชที่จะติดต่อกับพระเจ้าอยู่บัวก็จะต้องผ่านบุคคลสําคัญท่านนี้ก่อนคือพลเอกเฟรมจินสุรานนท์ในเบื้องต้นที่รสชโค่นล้มรัฐบาลทนเอกชาชาย และตัดรากถอนโคนอำนาจของกลุ่มพลเรือนด้วยการยึดพระดูจะเป็นที่พึงพอใจของคนเอกเฟรมและคนเอกเลียวิ์จึงได้พัฒนาเป็นกลุ่มอำนาจตัวจริงทางการเมืองของราชสานักไปเสียแล้วโดยทุกคนในกลุ่มอำนาจของคนเอกเฟรมต่างก็คิดว่ากลุ่มรสชจะเข้ามาอยู่ในกลไกการควบกลุ่มของคนเอกเฟรมโดยเฉพาะคนเอกเลิ์ฝันว่าน้องๆอสชจะเอาตำแหน่งนายกมามอบให้แก่ตนในฐานะหัวหน้าพักความหวังใหม่ เมื่อเปิดการเลือกตั้งทั่วไปในปี2535แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ น, นายอนันต์ตัวแทนราชสำนักบริหารงานในฐานะนา ย, ยกอยู่นั้นคณะรศชก็ออกไลฟ์เห็นว่าอำนาจทางการเมืองนั้นพวกชั้นจะเอาเองโดยการส่งตัวแทนของตนเข้าไปกุ่มพักการเมืองแนวร่วมในตำแหน่งเลขาที่การพักไว้เกือบทั้งหมดเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลไทยหลังการเลือกตั้งทั่วไปเช่นพักชาติไทยคนเอกคนอาจารย์เอกสมบูุญลหงค มือประสานสิบทิศมาดูแลและพักกิสังคมส่งเรือเอกพ จ, จิตเพื่อนของคนเอกสุ จ, จินดาขอโทษนะคะร้อยเอกพ จ, จิตเพื่อนของคนเอกสุ จ, จินดามาเป็นเลขาที่การพักและตัวเองก็จะตั้งพักหลักไว้ในการเดินเกมการเมืองคือพักสามัคีธรรมโดยมีข้อแลกเปลี่ยนโดยปลดการยึดทรัพยให้แก่นายปัญหารขินละป่อาชาหัวหน้าพักชาไทยและนายมนตรีพงพาณิชย์หัวหน้าพักนนพพกิจสังคมด้วย โดยเฉพาะพักชาติไทยในบรรหารได้ต่อเชื่อมขอความช่วยเหลือจากทั้งคนเอกเกรมและยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของรอสชอโดยเป็นพักอะไรรักษาสอสที่รอ ส, สชอส่งเข้ามาเก็บต๊อกไว้เตรียมการเลือกตั้งดังนั้นในบรรหารจึงหลุดจากการยึดซ็อกเป็นรายแรกและเมื่อรัฐบาล น, นายอนันท์ที่เข้ามาขัดตาทัพจัด ก, การเคลียร์หน้าเสือให้แล้วก็เปิดการเลือกตั้งทั่วไปตามแผนของรัฐมนตะร แต่ดูเหมือนว่าหน้าตาของรัฐบาลใหม่นั้นจะเป็นอันตรายต่อวังยิ่งกว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายในสายตาของพลเอกประและพลเอกชวลิตเราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าราสอสชทําการสืบต่ออนนํานาจโดยสร้างอํานาจทางการเมืองใหม่ที่แข็งแกร่งและควบคุมยากยิ่งกว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายเสียอีกโดยการเป็นรัฐบาลโดยการเลือกตั้งที่มีทั้งพักการเมืองของตัวเองและกองฐานของตัวเองโดยมีกองทัพหนุนหลังอย่างเต็มที่โดยการควบคุมกําลังผ่านรุ่น5้าและผ่านเครือญาติ และทันทีที่ผลการเลือกตั้งปรากฏขึ้นเสียงข้างมากที่ผ่า น, นกลไกของทุนที่รอสชอตุนไว้สมัยนายกอนันต์อนุมัติและกลไกของทหารโดยสารทหารเสือประจำหมู่บ้านที่นายกอนันต์อนุมัติให้เพื่อใช้ให้เป็นหัวคะแนนทุกหมู่บ้านก็บรรดาก็บรรดาผลให้พรรคสามัคคีธรรมเป็นเสียงข้างมากอันดับหนึ่งขึ้นมาทันทีและเริ่มแสดงบทบาทขึ้นมาทันทีและเริ่มแสดงบทบาทโดยเป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลและทันทีที่นายนรง วงสวัสดนและทันทีที่นายนารงวงวันหัวหน้าพักสามัคคีธรรมเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีตัวแทนพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือพักประชาธิปัตย์พักความหวังใหม่และพักพลังธรรมก็จับมือกันค้านโจมตีว่านายนารงวงวันว่ามีบัญชีดำเป็นผู้ค้ายยาเสพติดเข้าประเทศษษสหรัฐอเมริกาถึงได้เกิดความโกลาหลแล้วอำนาจ น, นายกรงวงวัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดจึงมาตกอยู่ที่บนเอกสุจินดาคารายุน รัฐธรรมนูญขณะนั้นมีได้กําหนดว่านายกต้องเป็นสอสเมื่อภาคกลากฏชัดเช่นนั้นความวิตกกังวลว่ากลุ่มรชชจะกลายพันเป็นราชวงศ์รชชเช่นกลุ่มทหารการเมืองแน่ดีจึงมาหลอกหลอนดังนั้นคือถ่ายราชลํานั์ซึ่งปัจจุบันบรรทบพบรรชาโดยคนเอกเกรงก็ทํางานประสานกันทันทีโดยต้นใจของของคนเอกเกรงทั้งหมดตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่ และพักพลังธรรมก็ประสานจีกระหนังพักสามาัคคีธรรมทั้งในสาภาและนอกสาภาโดยมีตัวละครในคือไข่ผู้มีบารมีนอกรัฐมนูลที่สําคัญคือคนตรีจําลองสีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมเสียงฐานรุ่นเจ็ดทีถัดแย้งกับรุ่นห้านายประสงค์สุนทรีและคนเอกเฉลิมชัจยุทธหัวหน้าพักความหวังใหม่ก็ทําการเชื่อมต่อกับกลุ่มเคลื่อนไหวประชาธิปไตยเช่นนายแพทย์สรร พัทถิลัตนายแพทย์เวงโตาจิราการนายไพศาลพืชมงคลเจ้าของสำนักงานทนายความธรรมณิติคนสนิทคนเอกชทวลิศปัจจุบันเป็นแกนนำพันธ ม, มิตรและเชื่อมต่อกลุ่มมลชนมอเตอร์ไซค ล, ลักจ้างกลุ่มกรรมกรของสภาพแรงงานโดยรวมกำลังการประท้วงขับไล่คนเอกสุนจินดาทันทีอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์ที่ผู้คนจํานวนมากโดยมีทั้งกําลังจัดตั้งนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่พรรคพลังธรรมที่เสียประโยชน์พร้อมด้วยกําลังจัดตั้งของสันติอโศกพร้อมด้วยนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายเดิมที่แปลรูปมาเป็นคนชั้นกลางและประชาชนทั่วไปผู้รักความเป็นธรรมรวมกําลังการเป็นเลือนแสนประท้วงกดดันให้พลเอกสุจินดาลาออกและเวลาสุดท้ายของสุจินดาก็มาถึงพวรสุนนัดแรกลั่นออกไป การปราบปรามเกิดขึ้นจากจุดกลางถนนรัชดำเนินโดยทหารก็บุกเข้าจับตัวคนตรีจำลองสีเมืองแกนนําม็อกแต่แทนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงก็กลับเขมแขมเกลียวและขายายตัวออกรอบๆ บ, บ, บริเวณนั้นกลายเป็นจลาจลจนรัฐบาลคนเอกสุกจินดายอยู่ในฐานะลําบากที่จะปราบปรามอย่างต่อนเนื่องจนจบกระบวนการได้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือรอสชยังมีราชสัมพักคอยคุมเกม มนุกบอลไหลเข้าเท้าตรงบริเวณหน้าประตูพอดีเช่นนี้คนเอกเปลมจึงเตะลูกเข้าโกลทันทีดังนั้นอำนาจจากรัชทายนักโดยคนเอกเปลมผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐรรมนูญตัวจริงก็แสดงบทบาทโดยการเรียกร้องกันโดยการเรียกตัวทั้งคนเอกสุดจินดาและคนฟรีจำลองซึ่องกายเป็นคู่พิพาททั้งทั้งที่คนเอกสุดจินดาเพิ่งได้รับโปรดเก้าจากพระมหากษัตริย์ให้เป็นนายกรมนตรีบริหารประเทศมาหมาดๆไม่พอเดือน เพียแต่มีคนนําม็อบมาขับไล่นายกก็มีอานาจที่จะดําเนินการปราบปรามใดๆทั้งสิ้นเมื่อเกิดเลือดตกยางออกเข้าคนเอกคือจินดาผู้มีอำนาจทางการทหารเข้มแข็งก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็นจําเลยทางการเมืองต้องขานเข้าไปกราบแทบเครืองพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลบรรยากาศที่ทั้งคนเอกสุจินดาและคนตรีจําลองมอบกราบต่อหน้าพระมหากษัตริย์และถูกต่อว่าสั่งสอน โดยถ่ายทอดส ด, ดออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทุกช่องนั้นกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทําลายเกียรติภูมิของผู้ที่มีอำนาจตามตัวหนังสือในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างยิ่งเป็นความเจ็บปวดของคนเอกสุดจินดามาจนถึงทุกวันนี้และเป็นการยืนยันให้เห็นถึงระบอบ ก, การปกคร อ, องของไทยว่าคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่อํานาจไม่ใช่อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ โดยใช้ผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญมิใช้ใช้ผ่านนายกรัฐมนตรีความเจ็บปวดของพลเอกสุดจินดาที่ฝังลึกนานกว่าสิบปีไม่เลือนไปจากความทรงจําก็ได้แสดงออกที่คําพูดของพลเอกสุดจินดาที่เชิญทหารรุ่นน้องในเหตุการณ์ประท้วงของพระธรมิตขับไล่รัฐบาลสมัครในช่วงเริ่มต้นที่ปกครองมาได้ไม่พอสัมไม่พอสามเดือนเช่นเดียวกับที่เกิดกับตนเมื่อเดือนพฤษภาคม2551เป็นการสะท้อนความเจ็บปวดของฝ่ายทหาร ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโด ย, โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐธรรมนักก็คือทหารอย่าเข้าไปยุ่งทหารมีประสบการณ์ครั้งสำคัญเมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535และประสบการณ์ครั้งล่าสุดก็เมื่อ19กันยายน2519จากคำเตือนนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พลเอกอนุพง์ผู้บัญชาการทหารบกไม่นำทหารเข้าไปจัดการใดๆกับการประท้วงของท่นธมิต โดยตลอดทั้งไม่ทำการยึดอำนาจตามความประสงค์ของวังโดยทำการวางเฉยต่อสถานการณ์มาโดยตลอดเข้าทำนองตามสุภา ษ, ษิตไทยว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งได้แต่กระดุกแขวนคอจะด้วยเป็นบทเรียนของฐานหรือเป็นเพราะม็อกเส้นใหญ่ก็เป็นเรื่องที่จะศึกษาข้อเท็จจริงกันต่อไปแต่ที่แน่ๆคือรัฐไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้ได้พัฒนาไปสู่รัฐอนาธิปไตยแล้ว รอยแผลทางสังคมของสายสกุลแห่งอํานาจเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมาอดีตนายกมันตรีที่เคยอยู่ในอำนาจอย่างมั่นคงโดยมองไม่เห็นในขณะนั้นว่าจะล่มสลายลงได้อย่างไรได้กลายเป็นฉากละครทางการเมืองที่เจ็บปวดที่สุดที่ฝังรากลึกในทุกสายสกุลของอดีตนายกทั้งที่มาจากพลเรือนและนายกที่มาจากทหารนับตั้งแต่พยาพาหลพลพยุหัดเสนาพาหล พหลโยธินจอมพลปพิบูลสงครามนายปรีดีพนมยงค์หรือแม้แต่จอมพลผลิตธนรัตที่มีบทบาทสำคัญต่อการฟื้นอำนาจของราชสานักอย่างมั่นคงเมื่อตายก็ถูกยึดรักจอมพลถนอมสุศิพจร์จอมพลประพาสรารุสเสถีนคพลเอเกเจียงศัก์ชมนันพลเอกสุจินดาคราประยูนพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักตี และล่าสุดสายสกุลชินวัตนเราจะสังเกตได้ว่าสังคมจะไม่เคยได้ยินบุคคลรุ่นหลังที่ใช้นามสกุลเหล่านี้เข้าไปรับใช้ในวงังในฐานะเป็นนางสนองพระโอษฐ์หรือในฐานะเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาในราชสำนักเลยเพราะอะไร